หมอเปาเวดัสออ๋ท่านทระพระมคุณาปลอนยนะเราพบว่าปัญหาอันหนึ่งที่สำคัญคือว่าตัวแพลตฟอร์มที่คุยพอไม่มีแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ละท่านก็คุยจากมุมมองที่ตกผลึของแต่ละท่านเพรหลังเราก็เลยพยายางคิดครั้งนี้ให้มีแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งที่มันใหญ่พอที่จะให้รู้ว่าอ๋อท่านคุยเรื่องนี้กำลังคุยเรื่องตรงไหนะนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มถ้ามีเวลาก็จะปรึกษาผู้อาจารย์ด้วย ก็เริ่มจากว่าในมุมมองของสมมุติถ้าเราเราไปคุยกันในในที่ปัญหาโลก ะ, ะซึ่งผมก็มีเลสเลสปัญหาว่าในที่ประชุมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะ eh, เริ่มจากปัญหาอะไรก็เลยเอาสตีเวนฮอวกิ้นเลยก็แล้วกันก็ถือว่าเขาเป็น <laughs> เนเก่งเก่งสุดของทางโลกละคือเขาก็เลสปัญหามา3าสี่อันพวปัญหาในอนาคตเนี่ยก็จะมีคือ1นอ่ภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าปัญหาก่อกันร้าย อ่าทุนอุตาหกรรเปลี่ยนแปลงก่อการร้ายเปลี่ยนแปลงก่อการาอาุตสาหกรรโน้ไล่สัตครูนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นอ่าเปลี่ยนแปลงภูมอากาศก่อการการ้ายนิวเคลียร์ล้างโลกนะครับแล้วก็ AI ก็คือพวกปัญญาประดิษฐ์ที่จะทำร้ายตัวมนุษย์เองซึ่งเราก็เห็นภาพแลว้ว่าตอนนี้เนี่ย อย่างเช่นตามห้างที่เขาเลิอกมอาเข้ามาแล้วคนจ่ายของในตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันมีเครื่องหรือแบงค์ที่เขารู้กันแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยมันทําทางเรนเนี่หมดแล้วฟอนหน้าแบงค์เนี่ยไม่จําเป็นแล้วคนก็ตกงานกันมหาศาลหรือการสร้างรถยนต์ก็ใช้หุ่นยนต์ได้แล้วการแปคนที่เป็นระดับลงทุนนะักลงทุนที่เห็นมนุษย์เป็นทุน<ม>เขาก็พบว่าไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันเป็นทุนที่ถูกกว่ามนุษย์ อันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งสตีเว่นก็บอกว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่มนุษย์จะทําลายตัวเองด้วย AI ก็กล่าวว่าจะยกปัญหานี้มาแต่ส่วนสตีเว่นเขาทีท่วิธีแก้ของเขาเนี่ยมาร์กของเขาคือหาดาวดวงใหม่เลยเขาก็กระตุ้นทุกๆวิธีทางให้หาดาวดวงใหม่ซึ่งผมมองว่าวิธีพุธเราเราเร า, เราคิดว่าเราต้องแก้รบปัญหามากกว่าก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ยาวนานพอที่เขาจะคิดหาดาวดวงใหม่ได้ ไม่ทราบพระอาจารย์มองอถ้าสมมติเวลาคุยเนี่ยเราเริ่มจักปัญหาพวกนี้ได้ไหในบอกตอนนี้ทางโลกเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ยังไงโดยผ่านมุมมองทางสันนิฐานสาราเช่นอของของท่านพูดท่านท่านก็จะเน้นไปเรื่องอเข้าถึงสัจจของตนท่านก็ไม่เห็นแก่ตัวแต่มันก็จะมีส่วนที่พูดถึงออกจากว่าถุโลงซึ่งอาจจะเอือ่อสำหรับสังคม มันเลือกด้วยด้วยคนหมูมากได้มากขึ้นจากสบการณ์ท่านอาจารย์มองว่ามันจ ะ, ะมันจะมันจะขับเพื่อนหมูนักคิดสมมติเรามาคุยกันเนี้ยหมูนักคิดเราจะเริ่มกันยังไงดีเพื่อให้คุยกันรู้เรื่องคืออย่างที่ตั้มมาแนะนำหรือให้ให้ความเห็นไปนะคือว่าเราน่าจะเริ่มที่พิธีการสามข้อว่าสมมตินั่นแหะคือคือนิโรดคือว่าถุประสงค์ที่เราอยากจะไปให้ถึง คือจุดหมายที่เราอยากไปถึงเนี่ยแล้วเราก็มาดูว่าอะไรทําให้มนุษย์เราเนหรือโลกเราเนี่ยมันไปไถึงจุดหมายนั้นเช่อนอะไรทําให้ไม่สามารถจะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถออกจากวัตถุนิยมได้แล้วเราก็มาดูปัญหาโดยดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยว่าทําไมอะไรทําให้คนเนี่ยไม่สามารถออกจากวัตถุนิยมได้เช่นใคบอกว่าเป็นเพราะตอนที่บริโภคนิยมเนี่ย ม, มันมัมนมันแรงกล้ามาก นะริพุทธเจ้เนี่ยมันมีัมนอนุภาคมากมันกายนศาสนาหนึ่งแล้วก็มันให้สัญญาว่ามันไม่เป็นกาต่ทำให้เรามีชีวิตสะดวกสบายนะมีกินมีอยู่ อ, อย่างเท่าที่เราจะจินตนาการไปถึงแล้วเนี่ยมันยังให้สัญญาว่ามันจะแก้ปัญหาตัวตนของเราได้มาสามารถจะ ทำให้เราเป็นคนใหม่เวลานี้เนี่ยเราดโฆษณาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะโฆษณาเขาจะไม่เน้นว่ามันจะทําให้เรายังไม่เน้นว่าอาหารอร่อยหรือว่ารองเท้าใสแล้วส บ, บายแต่มันจะบอกว่าใสรองเท้าแล้วเราจะเป็นเป็นอย่างสมัยก่อนก็เป็นแบบไมโครจอร์แดนเป็นอย่างเป็นอย่างอะไรไทเกอรูดอะคือเขาเน้นเรื่องการ สัญญาวาจะให้ตัวตนใหม่ของเราเป็นคนใหม่เป็นเป็นคนที่สมาร์ตเป็นแมนแล้วก็แล้วแต่คนที่หลงเชื่อมันก็ก็ถล่เมเข้าไปในวัตถุนิยมมากขึ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของไอ้ไอ้ไ อ, อ้โรคร้อนเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่มนุษยเนี่ยมันติดอยู่ในวัตถุนิยมมันก็เลยติดเรื่องการบริโภคมากขึ้น วิโลกมากขึ้นเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักชะลอ น, นก็ทำลายธรรมชาติจนถ้าเกิดปัญหาโลกร้อมหรือว่าการที่มันมีออโตเมชั่นหรืออัตติเชียลอินเทลเลเจนซ์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันจะทำให้คนเนี่ยติดใ น, นวัตถุนิยมมากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเสรที่ทำให้เรามีคนเป็นการเป็นคนใหม่นะแต่ว่าไอเเนี่ยนะมัน มันสามารถจะตอบสนองความต้องการของเราทั้งในส่วนยากและส่วนยุดได้แต่ตมาไม่เชื่อเรื่องปัญหาการแย่งงานเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์นะถ้าเกิด AI เพราะว่าในเวลาเดียกันมันก็สร้างงานใหม่ให้กับคนที่ทำ AI ด้วยอ AI มันก็ทำให้เรามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นเครื่องมือ ด, ดิจิตอลพอเรามีพอเรามีสมาร์ทโฟนอะไรขึ้นมาใช่ไหม บางคนตกงานแต่บางคนก็มีงานอาชีพใหม่มารองรับทานหนที่เป็นแอดมินบ้างท่านหน้าที่เป็นท่านหนที่เป็ น, น, ปนโปรแกรมเมอร์อะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยจงแต่ ว, ว่าไอ้คนที่ตก ง, งา น, นก็คือคนที่ความรู้น้อยสกิลน้อยไอ้คนที่มีทักษะมากความรู้มากก็จะได้งานใหม่แล้วก็ได้รายได้ดีแต่มาคิดว่าการตกงานเนียนะมันไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของ ของ AI ก็เหมือนกับที่สมัยที่ ATM เข้ามาเนี่ยนะรถเอทีเอของเราเข า, าก็ส่งงานใช่ไหมแต่ว่ามันก็สร้างงานใ ห, หม่คนจํานวนมากมันทําให้การทําธุรกิจสะดวกขึ้นธุรกิ จ, จเจริญเติบโตมากขึ้นก็จ้างงานมากขึ้นแต่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยคิอว่า ส, สิ่งที่ AI มันจะอาจจะมีก่อปัญหาก็คือการสร้างโลกทัศน์ใหม่ให้กับคน จนเห็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่ตายเครื่องจักรอันนี้เป็นความคิดที่เป็นวัตถุนิยมมากเลยคือคนก็คือเครื่องจักรนะความคิดติดใจก็ ก, ก็ก็ไม่ได้ไปพึ่งจักสมองและถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของเคมีที่สุดในในอวัยวะที่หนักหนึ่งกิโลเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นการมองแบบวัตถุนิยมมากเลยคือมองว่าชีวิตเนี่ยถูกถึงที่สุดแล้วก็คือก้อนวัตถุ ใช่ไไอเ้เรื่องว่าไอเ้เรื่องจิตใจความสุขเนี่ยก็ไม่ต้องไปได้ต่อไปเนี่ยนะเอไอก็จะมาตอบสนองเรื่องความสุขใจให้กับเราได้ใช่สมัยก่อนจะสุขใจแล้วก็มีต้องฟังฟังอะไรมีคลื่นมีคลื่นงข้ามาก่อนจใจสงบต่อไป AI ทีจทำแบบนั้นให้กับเรา AI สามารถจะบอกเราได้ว่าช่วงนี้เราเราเป็นอารมณ์แบบไห น, นเราควรจะเข้าสู่คลื่นคลื่นสมองแบบไห น, น ไอ้ไตอนนี้เริ่นบอกแล้วนะว่าตอนนี้วันที่คุณไม่ออกกาลังกายนะวั น, นตอนนี้ไขมนันคะุณน้อยลงนะไม่กัดกันในคุณเยอะขึ้นนะต่อไปแอมจะบอกคุณว่าตอนนี้มูดคุณเป็นยังไงแล้วคุณควรแอมคุณควรจะกดปุ่มไหนที่จะทําให้มูดคุณดีขึ้นความสุขใจเมืม่ต้องทางสมาธิแล้วไอไอให้คําตอบได้แอ่ทำรื่ อ, องตรงนี้เนี่ยที่มันที่มันน่ากลัวกว่าะว่ไหมมันเปลีย่ยนโลกรทัดเปลี่ยนความทิม้คนนะ ที่มีต่อตัวเองซึ่งก็ทําให้ขังลำก็ไปในวัตถุนิยมมากขึ้นอันนี้ยูเตอย่างคือเตี ย, ยงว่าอยากให้มองแบบนี้ยมองว่าเราเริ่มต้นที่พุทธประสงค์สาประการประนิทานสามประการของเจา้าพุทธทาสแล้วก็ดูว่าตอนนี้ศาสตร์การโลกเนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรบ้างในทางการเงเรินเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมที่ทําให้คนเนี่ยออกห่างจากวัตถุนิยมมากขึ้นออกห่างจาก ไม่สามารถที่จะออก่าจากวัตถุนิยมได้หรือไม่สามารถจะหรือว่าออกห่างจากสิ่งที่เรา spirituality มาขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้จะมาว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะทำอะไรได้มากกว่าไปไปทำเรื่องไอ้ climate change คือว่าเรื่อง t e r r o r i นะเพราะว่ามันก่อนหน้าที่ไอ้ไอ้ไอพวก climate change t e เนี่ยมันก็เป็นเป็นขนที่เกิดขึ้นจากการที่มนเรื่อเนี่ยออกจากวัตถุนิยม หการที่มนุษย์จะเข้าหาวัตถุนิยมมากขึ้นอันนี้ถ้กิดเรามองว่าเนี่ยข้อสองเนี่ยให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาหรือข้อสามเนี่ยให้เกิดความรุ่มกระลองศาสนาแล้วก็ยังพบว่าสิ่งที่สิ่งหนึ่งถ้าประกฏการณ์ตอนนี้ทําให้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจเข้าถึงหัวใจของศาสนาได้เนี่ยแม้จะเป็นชาวพุทธหรือไม่จะนักศึกาศาสนาเก็ตามล์ก็คือความคิดแบบชานิยมครับแค่ ใช่ไหมตอนเนี้ตอนนี้มันกระแสชาติเนียมันมาแรงจนกระทั่งเอาศาสนามารับใช้ชาตินิยมอ่แม้กระทั่งพม่าจะเห็นชาติพม่าเนี่ยชอบพวกพมาเนี่ยอุกเกลียยพวกโรฮิงญามากเลยเกลี่ยพวกมุสลิมมากเลยไอความเกลียยนี่มันไม่ใช่พุทธมันเกลียยเพราะอิส่คนชาตินิยมถเชื่อชาตินิยมใช่ไหม แต่ว่ามันก็มาความคิดแ บ, บชาติเนี่ยมันก็ม า, มาอาศัยพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เนี่ยในการเป็นเครื่องมือนะระวิระทูเนี่ยกับคณะนี่ก็เกียดพวกโรฮินญาซึ่งบางเอิญนักษอศาสนาอิสลามนะนนทำไมพี่ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาหเกิดทโวหมนเลยก็คือความคิดแา บ, บชาตินยมมามาแรงมากนะ ไอ้กรณีทรัมป์ก็ดีกรีแบ็ซิสก็ดีก็เป็นกลุ่มต่างชาติิยมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้เทอร์ริสเนี่ยนะตอนนี้ถามว่าใครเป็นใครเป็นผู้ก่อการร้ายที่ที่นับกลุมมากที่สุดก็ IS เ l เอลเรวมทั้งพวกหัวรุนแรงในในปากีสถานและอัฟกานิสถานและพวกหัวรุนแรงในอเมริกาที่เป็นคริส พวกนี้เนี่ยจะมีความคิดแบบเดียดผิวเกลียดคนต่างชาติมากําใไ้ความคิดแบบนี้มันาศาสนาครืไม่ใช่ความคิดแบบชาตินิยมแต่ว่ามันมามันมาครอบงาศาสนาเอ า, าศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองพวกพวกขวาแบบที่รีุปเปมซิสเนี่ยซึ่งตอนนี้มีที่ผลมากในอเมริกานะคนไม่จะคิดว่าพวกขรุแรงเนี่ยพวกพวกเกากะกันร้ายเนี่ยเป็นเพอิสลาม พวกคริสเตียนขวาจักนี้ก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยที่ไปฆ่าที่ไปฆ่าคนดำเนี่ยประมาณที่สุกับคนในโบสเนี่ยก็คือพวกไวส์คริมินัลส์พวกขวาแล้วพวกนี้เนี่ยจำนวนคนที่ถูกฆ่าตายในอเมริกาเพราะการก่อ ก, การราเนี่ยเป็นพวกพวกนี้พวกคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำแล้วพวกนี้เนี่ยก็เหยียดผิวแล้วก็อ้างว่าศาสนาคริสต์นเนี่ยนะ ยกย่องคนขาวมันมีที่ไหนในพระคัมภีร์พคัภีร์วิ บ, บอกว่าคนดำนี่พวกสามต้อแต่ความคิดแบบนี้มันมาจากความคิดแบบเลสซิสซึ่งผสมกับชาตนิยมใช่ไหมแล้ะพอมันเข้ามาสู่วงกา ร, ราศาสน า, สาศาสนาก็ถูกใช้เพื่อตอบสนองความคิดแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไปเข้ารุมหัวใจาศาสนาได้ยังไงถ้านั้งที่เข้าโบสถ์ถานั่งที่ไปวัดชาวพุทธจำนวนมากก็ไปวัดแต่เกียรติพ่อแม่ ังเกียรตดูถูกพวกพวกลาพวกคำเหน่งบางเกียรติพวกโรรินญานี่มันไม่ใช่พูดแล้วมันธรรนิยมใช่ไหมเนี่ยนึกนีกตัวอย่างนะว่าไอทําไมอะไรเป็นหนูประสาททำให้ไม่สามารถเข้าถึงหัวใจศาสนาได้ไม่ต้องศาสนาไหนพุทธศาสนาเหตุผลหนึ่งส่วนนึงก็คือวัตถุนิยมอีกส่วนนึงคือความที่ประชานนี่เราขับแค่ใช่ไหม ซึ่ความที่แบบนี้มันก็เคยทําให้พระในในญี่ปุ่นเนี่ยสนัสบสนุนการลุกหลานเกาหลีและจีนพระเซนในเวียดนามไอพ้พระเซนพระเซนแล้วก็พระทูนนิกายในญี่ปุ่นเนี่ยพมน้ำมนต์ให้กับทหารญี่ปุ่นเนี่ยไปลุกหลานจีนไปลุกหลานเกาหลีนะครับโดยอ้างว่าจะเอาพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์เนี่ยไปให้ที่เกาหลีแต่ก็ัว่าเนี่ยมันเป็นแผนอุบายของ แลชาตินิยมของญี่ปุ่นครั่งชาติที่มันต้องการแผ่ญทุกคนไปไปทั่วเอเชียมันไม่ใช่พุทธมันเป็นชาตินิยมแล้วก็มา น, นําความร่มสนามมาถึงญี่ปุ่นในที่สุดนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูนี่นเราก็พบว่าโอไอโ ท, ทรลิสนี่นะนจริงๆแล้วเนี่ยรางเงาของมันก็คือความคิดที่ชาตินิยมครับแค่นะแล้วบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใชชาตินิยมเดียวความที่บัตรศาสน า, าที่ครอบแค่ก็มีด้วย ไอเอสเนี่ยนะมันก็เป็นอิสลามแต่คู่ปะของมันเนี่ยก็คืออิหร่านซึ่งก็เป็นอิสลามไอเอสป็นซุนนีอิสลามอิหร่านนี่เป็นชีอาก็ฆ่ากันใช่ไหมทำไมไอเอสเนี่ยมันถึงไปมั น, มนไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปต้งร่ารมันของที่ซีเรียเพราะซีเรียเป็นชีอาและชีอานีมน่มันเป็นมันปกดขี่ซุนนีคนซุนนีก็เลยสับสไอเอสก็อิสลามเหมือนกันะ อักการิสถานเนี manera, os, <world> so ่ยไปกิสถานเนี่ยโดนระเบิดตูมตูมอีกครั้งตายไม่เท่าไหร่แล้วใครทำาก็สุนีเนี่ยมันเล่นชีอะใช่ไหมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกศาสนาพุทธศาสนาก็เป็นแต่ตอนนี้ก็ทะเลาะกันแล้วเนี่ยเรื่องสังฆราชเรื่องอะไต่างที่ธรรมตายเนี่ยอันนี้เป็นแบบ สเกลย่อยหรือว่าสเกลระดับดีกรีที่รุนแรงน้อยกว่าไอ้ที่เกิดขึ้นในที่ตัวนอกกลางแต่มันก็ทําให้เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือเหตุผลทําให้ไม่สามารถจะเข้าถึงหัวใจศาสนาได้มันไปติดอยู่ที่รูปแบบไปติดที่นิสายความคิดแบบภาษาพัน์เราจะใช้บริสุทธิ์ใบริสุทธมันคือความคิดแบบเผาเผาที่แคบแคบบันที่ก็แคบแาบถึงคำว่าสำนักในพุทธในศาสนาพุทธเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันเรื่องสำนักใช่ไ สำนักใครสำนักมันก็ทะเลาะกันทั้งนี้พูดเหมือนกันเทรว่าเหมือนกันอันนี้คือคือคือถ้าเรามองจากแว่นของการปฏิทารพระเจา้าพุทธเจ้าให้เข้าถึงาาวัจจุตศาสนานเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีประสาทอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นความคิดอบบชาญิ่งยมความคิดแบบศ า, นาบบสน า, สาที่รับแค่ความคิดแบบเชื่อชาตินิยมเป็นต้นซึ่งโซเชียลมีเดียเป็นตัวกระพือ โกเบลิเซชันเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดไอ้ความคิดแบบนี้มากขึ้นอนะฮไม่น่าเชื่อนะว่ากุโร ก, กับพิวัตรยี่ยซื่อมันก็บอกทําให้โลกเล็กลงทําให้โลกหดแคบลงคนรู้จักกันมากขึ้นที่ไหนได้มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยโลกโลกโลกห ด, ดแคบลงแต่ข้างบ้านเป็นใครไม่รู้จักชื่อเล ย, ยนี่เรียกว่าอะไร คนสมัยก่อนดูแบบว่าโลกมันกว้างนะแต่คนในหมู่บ้านรู้จักกันหมดไอ้ลดโลกมันหดแคบเปทําไมคนที่ติดกันไม่รู้จักชื่อกันแล้วเดี๋ยวนี้คนในบ้านด้วยกันไม่คุยกันเลยโรคหดแคบของเื่องยังไงเนี่ยนะมันกลับทางนมากขึ้นนะเนี่ยเพียงเพราะศาสนาต่างกันเพียงเพราะสสีเสื้อต่างกันเเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยก็ทากันแล้วเพราะโลกาภิวัตน์ด้วย โซเชียลมีเดียด้วยงนนั้นีราก็ต้องเป็นโจ้แล้วเออเราทําไงทํำให้โซเชียลมีเดียเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเป็นเป็นตัวทําให้ผู้คนเหินห่าจากกันทำให้ผู้คนเกลียดชังกันทำไงำจะทําให้ผู้คนมีเมตตาต่อกันทําให้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงหัวใจศาสนาแทนที่จะเป็นอุกรรษับขัดขวางให้ห่างไกลจากหัวใจศาสนา เพาตอนนี้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเครื่องมือของการสร้างความโกรธความเกลียดการสร้างการเผยแพ ร, ร่เชื้อร้ายของบริโภคเชื้อไร้ของบริโภ์นิยมแล้ววัตถุแล้วลวัตถุนิยมแล้วก็ชาตนิยมนะอันนี้ก็ก็นี่เป็นกำลังให้เราทำเรื่องใหญ่ๆถึงมแม้เราจะไม่ต้องทําเรื่องทถื่อนหรือวเศษก็ตามไม่ต้องแตะเลยก็มี ใ, ให้ทำเรื่อยให่ๆใช่ไหมเอาแค่ว่าทําให้องค์กรพูดเนียนนะคอยถึงหัวใจวัตถุศาสนาเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแนละ้ว ก็จะจะตีอย่างนั้นแหละนะเกียงข้อคิดนี่เหมือนกันเนยอันนี้เป็นกยกตัวอย่างนะว่าเนี่ยเพียงแค่ถ้าเกิดว่าเราเร า, เราเอาเปฏิฐานสาป ก, การรมเนี่ยมาเป็นมาเป็นกรอบในการมองมองสถานการปัจจุบันว่าอะไรทําให้อะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนเนี่ยนะไม่สามารถเข้าถึงมิติด้าจิตวิญญาณไม่สามารถเปิดหัวใจพุทธศาสนาหรือว่าร่วมมือกับลองศาสนาได้เนี่ย เราก็จะสามารถ identify ได้นะถ้าเรามองอย่างกว้างแล้วก็ลึกเราก็จะ identify ได้ทั้งทั้งปัญหาที่มีมันในปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ประกฏการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นเช่นเรื่อง A I ่เงี้ยนะเราก็จะดูได้ว่าว่าโฮจมไเเฮนเนี่ยมีกำลังทําได้แค่ไหนหรืออะไรที่เราถนัดแต่ธรรมะก็เสนอแนะไปวันนั้นนะว่าหอจหูไมเฮนอย่าคิดแต่เรื่องทาเองจะต้องหาทางขับเคลื่อน แนวร่วมสร้างภาคีหรือขับเคลื่อนภาคีที่มีอยู่เนี่ยให้ให้ทําเรื่องนี้เพราะสามประการเนเปเรื่องใหญ่มากนะขอจอมายเหตุทาไม่ได้หรอกนะคนเดียวแต่สิ่งที่ขอจอมายเห็นมีศักยภาพเนี่ยเพราะตัวมันเองเพราะตัวเองของอเขาจะมายเหตเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งนะที่ให้ชาวพูดหลายกลุ่มเนี่ยม า, มาอาจจะมาใช้สถานที่นะแต่ว่าที่จริ ง, ขงเขาจอมาใหตุทาได้มากกว่าันนะ ก็คือว่ า, าสามารถจะเป็นตัวเชื่อมประสานนะแล้วก็ช่วยทำให้เห็นมีจุดร่วงเดียวกันในบางเรื่องบางประเด็นแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่จุดนั้นนะอาจจะไม่ใช้คำพูดว่าเพื่อให้คนออกจากวัตถุนิยมก็ได้นะแต่ว่าตัวสารสสำคัญคือมันการคือการทำให้คนออกจากวัตถุนิยม โดยการเลือกประเด็นก็ได้หรือการเลือกแนวคิดมางแนวคิดเนี่ยมามาเป็นจุดร่วมหรือเป็นตัวตัวขับเคลื่อนแต่รัตตาสมาวอย่าออย่าแน่ว่าเวลามองปัญหาอะไรเนี่ยย่ามองปัญหาในกรอบศิลธรรมแบบธรรมดาธรรมดานะกรอบศิลธรรมเนี่ยแบบที่เราใช้ในการมองเหีมันเป็นการกรอบศิลธรรมแบบแบบเมื่อร้อยปีที่แล้ว ให้มองให้ให้มองให้มองกว้างกว่านั้นแล้วก็ลึกกว่านั้นเช่นเราจะมองเราใช้กรอบสี่อวัฒเนี่ยถ้าเราใช้กรอบสี่อวัฒมองเรื่องเอเนี่ยบางทีเราก็มองได้ไม่ค่อยลึกหรอกเราก็มองเพียเออทำไมเราใช้ AI เนี่ยเพื่อเพื่อส่งเสริมให้คนทําดีทํำไมคนจะไม่ใช้แอเป็นทางที่ก่อปัญหาแก่สังคมจีิงๆมันมากกว่านั้นมันมีคําถามให้เราเราต้องถาม เราต้องตั้งโจทย์ที่มาไปแบบนั้นไม่ใช่แค่โจทย์ศิลธรรมแบบที่เรามืกจ้ตั้งกันเช่นไ i มันเปลี่ยนลักษณะคนยังไงบ้างนะมันจะตอนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็มันก็เปลี่ยนลักษณะคนไปเยอะแล้วแต่ก่อนนี่เมื่อสักสองสามปีก่อนเนี่ยตอนที่มนุษย์ค้นพบนาฬิกาเนี่ยก็มีคนพูดคนเนี่ยล่างคนเรานี่ยชีวิตเนี่ยคือนาฬิกา ตอนหลังเนี่ยมามามามามาสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เอาเครื่องยนต์เนี่ยมาเป็นแบบในการมองมนุษย์มุษเนี่ยคือเครื่องยนต์นะก็เลือกร่างกายมนุษย์บอดี้แมชีนเคาได้ยิร่างกายมนุษย์นะบอดี้แมชีนก็คือว่าร่างกายคนเราเนี่ยก็คือเครื่องจักรอย่างหนึ่งหัวใจคือปั๊มปอดก็คือปั๊มเดียวกันก็หลังพอรู้จักคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกเ อ, อมนุษย์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิตนะ แต่ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันไปไกลแล้วมันเกิด AI ขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่เราคิดว่ามนุษย์เรามีประเสริฐกว่าคอมพิวเตอร์คือมนุษย์เรามีปัญญาแต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์มันพัฒนาจนถ้างว่ามันมีปัญญามันเราเชื่อมันมีปัญญาเหมแต่ไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์แต่ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์เขาว่า AI มันมัสะท้อนเห็นเลยนะว่ามนุษย์เราเนี่ยกำลังมองว่าสติปัญญาก็ไม่ตายเครื่องจักร ไม่ตายจากคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อความจิตใจเนี่ยอารมณ์ความรักก็คือก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางชีวเคมีในสมองซึ่งสามารถจะทำให้มันเป็น Life ดิจิทัลไลฟ์ได้ต่อไปก็สามารถทำให้เครื่องดิจิตัลเนี่ยเครื่อง AI เนี่ยหรือว่าโรบอตเนี่ยมันมีอารมณ์เหมือนมนุษย์ตอนทนี่ทหน้าตาเหมือนมนุษย์นะต่อไปก็จะมีอารมณ์เหมือนมนุษย์ เพราะว่าอารมณ์ก็คืออัอลกอริทึมอย่างหนึง่งอารมณ์เวลาเรามองว่าอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเคมีชี่ิทย์สิ่งเนี่ยก็ขึ้นไปเรื่องวัตถุซึ่งสามารถจะแปลให้เป็นเรื่องอัลกอริทึมได้รู้จักใช่อัลกอริทึมเมื่อชาก็พูดไปนหน่อยอัลกอริทึมไอ้ไอ้กูเกเนี่ยที่มันเ e ิร์ชอะไรได้เลยเพราไม่ใช่อัลกอริทึม a c e b o o k ที่มันมีสัญญาณเตือนบอกว่าจตมมระเบิด ที่องเทตมีระเบที่อุ้งเทต์ ม, บบทมื่อเพื่อสองวันก่อนเนี่ยก็อัลกอริทึมที่มันกรองข้อมูลข้อกรองข่าวมาให้เราเนี่ยใคร facebook เ, เนี่ยจะได้ข่าวที่ตัวเองชอบมันมันนี่ก็เพราะอัลกอริทึมรับกดบ่อยๆนะกดแชร์บ่อยๆหรือว่ากดดูข่าวเฟที่เพจไหนบ่อยๆนี่นะมันก็จะฝีข่าวแบบนั้นมาให้เราถ้าเราเป็นพวกที่ดูแต่ข่าว ข่าวการเมืองนะมันก็จะฝีข่าวการเมืองให้เราแล้วถ้าเราดูแต่ข่าวการเมืองเฉพาะของเสื้อแดงนะมันก็จะฝีข่าวเสื้อแดงให้เราแล้วเราก็แคบลงเพราะเราไม่รู้ข่าวหรือมุมมองเสื้อเหลืองเลยคนที่ดูแต่ข่าวหรือดูเว็บไซต์ของข่าวเสื้อเหลืองก็มันก็จะฝีข่าวเสื้อเหลืองไมให้เราใครที่ชอบดูวิดีโอโป้มันก็จะมีฝีดเรื่องพวกนี้ไม่ให้เรานะคนก็แคบลงอย่างเดีย กลายว่าลก ล, กลไปแล้วจะไม่ได้เพียงแค่ทําให้โลกกดแคบตรงนั้นแต่ยังทําให้สติปัญญาและมุมมองเราแคบเหมือนเดิมใครที่เป็นแค่ว้างนี่เน้อโลกาพิวะและเนี่งที่มันทําให้เกิดความคิดแบบไทบริซึมหรือความบบคิดแบบคับแคบใครที่คิดไม่เหมือนกับเราก็เป็นศัตรูเรา ล, ละเพราะเราจะได้ข่าวแต่ได้ร้ายของคนหลังนั้นแล้วก็มีแต่ข่าวสับสว่าพวกเราดียังไงบ้างมีเหตุคนผลยังไงบ้างฉลาดยังไงบ้าง เหตุการณ์เกิดมาเท่าที่ผมสรุปความคือว่าหอก็ใช้แว่นนั้นมองเนาะแล้วก็เลือกประเด็นขัดเคลื่อนที่ให้ทุกกลุ่มเห็นตรงกันคราวนี้ไอประเด็นขับเคลื่อนเนี่ยครับการได้มาซึ่งประเด็นขับเคลื่อนก็คือควรจะระดมความเห็นจากกลุ่มเพื่อนๆนเพื่ อ, อหรือหอควรจะคิดประเด็นแล้วก็ เรามาช่วยไน่เป็นอย่างหลังมากกว่านะคือเราต้องเราต้องทํากันบ้านมา ก, ก่อนคเพราะว่าเราเราสนใจเรื่องนี้เรามีเวลาเตรียมถ้าดีามาเชิญมาประชุมแล้วมาลดมสมองเนี่ยนะเาไม่ได้เตรียมมาเลยนะเขาก็จะก็จะพูดอะไระเป็นเรื่องที่รู้รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมของที่มันต้องคิดมา ก, ก่อ น, นท่ากิ่งเชยธราเชยธรรมาอยากจะให้อากจะเป็นธรรมาอยากจะให้เห็นอยากจะเห็นนะเขาเป็นห่วงถือว่า คือเราไม่ต้องทำอะไรเอาแค่ว่าทําอะไรนีร้ทําให้ชาบพุทธเรานมีความที่เห็นที่กว้างขึ้นอย่าไปคิดแต่ในเชิงออย่าไปถูกคร่อบําด้วยบริโภคนิยมหรือว่าชางนิยมบริโภคนิยมมันทําให้เกิดความคิดในลักษณะที่กินกามเกลียดอย่างที่ชาติการพุทธชาติว่าแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่รินกามเกลียดมันมีเรื่องโกรธเกียดกลัวซึ่งเกิดจากความคิดแบบชาตินิยมและความคิดแบบขับแค่ทางการเมืองด้วย อตอนนี้นี่ก็คนก็ตัวอยู่ภายใต้ความโกรธความเกลียดและความกลัวมากเลยการเมืองเสื่อมระหว่างสีจะทำให้เกิดสติอารณ์แบบนี้มากขึ้นโกรธเกลียดกลัวอันนี้เนี่ยทำไงทำให้ไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพล ค, ครอบํำ คนหรือองค์กรที่ทางานดานพุทธศาสนาเล็น้อยแต่ว่าให้เข้าถึงให้ให้ได้รับอานิสงส์ของพุทธศาสนามากกว่าคือทําไงให้ให้เป็นพูดมากกว่านี้ยนะจะได้ทําอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อศาสนาได้ได้ดีขึ้นใรทีมีสมมติหอคิดนะครับมีอีก ด้านหนึ่งที่เรื่องการศึกษาที่ท่านท่านท่านก็เหมือนกับก็เห็นความสำคัญแล้วถ้าสมมุติหอคิดแล้วขับเคลื่อนไปโครการศึกษาซึ่งปกติหอยังไม่เคยทำโมเมนต์นั้นแต่ธรรมกายอะไรเงี้ยคือพอเข้าสู่บริคัทมันได้เหมือนกับได้พลังทวีจากครูจากอะไรเงี้ยไม่ทราบมาถหอเอง ทีนก็มีเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว ท, ท่านชาเคยฝากไว้อยู่แล้วมีเคยมีเครือข่ายครูตอนอดีตอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจขับเคลื่อนเราก็ไม่ได้คิดถ้าเป็นเรื่องนี้พระอาจารย์เห็นว่ามันจะคือถ้าเราไม่รู้เปลี่ยนรุ่นโตๆจะทันไหมแต่อย่างน้อยถ้าเปลี่ยนรุ่นเล็กๆอาจจะเปลี่ยนง่ายกว่าแล้วก็การันตีได้ว่าถ้าได้เปลี่ยนจริงๆสิบยี่สิปีข้างหน้าคงเปลี่ยนคงดีขึ้นพระอาจารย์ ธรรมะก็ดีนะคือแต่ว่าจะเปลี่ยนในสนาดไหนจากบนลงล่างหรือล่างขึงน้นบะนธรรมกายเขาสามารถจะเข้าสู่ระบบการสา่ได้เพราะว่าเขามีเส้นสายกลางาเงินอันนี้ก็ต้องยอมรับนะสองเขามีเงินนะสามไอความเขามีวิธีการที่ใช้เงินเนี่ยไม่ใช่มีเงินแล้วไม่ใช่มีเงินเดียวแต่ว่าใช้เงิ น, นไปทางที่อาจจะเป็นการตอบสนอง ขถูกประสงค์ของเขาโดยวิธีการที่ม่ชอบถามว่าทำไมธรรมกายจึงมีคดีเรื่องเงินหนึ่งทองเนีเพราะเขาใช้เงินเยอะไม่ใช่แค่ก่อสร้างแต่เขาใช้ในการที่จะให้รางวัลท่าสร้างนรงจูนใจเพื่อให้คนเนี่ยมามรับใช้เขาซึ่งแน่นอนล้วพูดเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีเงินด้วย นี่จะเราจะเข้าเข้าไปในระบบอย่างนี้ได้อย่างไงแล้ระบบทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ล้มเหลวมากนะนักเรียนไทยเรียนเนี่ยมากที่สุดในโลกนะ1น0 0สองชั่วโมงต่อปีแต่ว่าผลสอบพิซซ่าเนี่ยตกต่ำมากใช่ไหมพิซซี่ไม่ต้องใช้ผลสอบพิซซ่าหรอกผลสอบโอนเอเเอเนที่เคยทำมามันก็ตกต่า๙๐เนี่ยสอบไม่ถึงได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง เราภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เทศาสตร์เนี r, <Yeah. S 2> ่ย 90% เนี่ยสอบไม่ถึง50คะแนนมัแปลว่าบางทีนนักเรียนไทยเรียนไม่ถึงในโลก 1,200 ชั่วโมงสิงคโปร์เรียน700ญี่ปุ่นเรียนไม่ถึง700ฟินแลนด์ซึ่งเป็นดั้งเดิมในโลกเนี่ยเรียนแค่730ชั่วโมงต่อปีและข 1,200 ชั่วโมงนี่นะเฉพาะในในระบบนะไม่นับไปติวนะไม่นับไปเรียนพิเศษนะ นล้วในเดยก็จะบาตายเครียดแล้วผลที่ออกมาคือผลสอบผู้ไอจีดีทำแย่เด็กไม่มีความสุขเก่งก็ไม่เก่งดีก็ไม่ดีสุขก็ไม่สุขมันเอาเสียเวลาไปกับอะไรแล้วเราใช้เงินมุมมาสูงมากนะเราใช้เงินมุมเนี่ยถ้าจะเป็น g ีดีีเนี่ยสูงมากไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินทุ่มนะแต่เงินมันหายไปไหนหมดแล้วสิ่งที่เราได้นนคือ และทุ ว, วนี้ก็ยังไม่มีคนที่เห็นความเป็นติดตลาดของเรื่องนี้นะก็ยังพยายามยัเดเยียดวิชาการเข้าใสัเด็เท่าไรแล้วเราจะเอาเรื่องของอเรื่องของ EQ เนี่ยเมื่อจะโดยผ่านการกผ่านาศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เด็กได้ยังไงเนี่ยในทางผ่านระบบการศึกษาต่อมาก็ยิงยิ่ไม่อ่อนนะถ้าเราที่จะททั้งระบบนี่จะเหนื่อยมากเลยนะแล้วเราคงมีปัญญาทำเดือย เอาแค่อบรมครูเนี่ยนะทั้งประเทศเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมครูก็เป็นก็มีเป็นแสนแล้วอบรมครูได้ไงไอเดียปรึกษาพระาจารย์คือมันมีวิจัยเรื่องมัชเมโลเคสครับพระอ า, าจารย์เคยทราบไหม ม, มันหลักมันกลายว่าเด็กที่สามารถคนต่อ กิเลสยัย่วยุได้เนี่ยจะทําให้ประสบความสําเร็จถ้าเราเอาประเด็นตรงนี้มาแล้วก็เหมือนกับว่าจัดเด็กเล็กๆเนี่ยมาอบรมก่อนเลยถ้ามามามาเทสทุกคนในประเทศแล้วถ้าเด็กคนไหนไม่ทนกับกิเลสก็เป็นที่ให้แม่ให้รู้ว่าไอ้ตัวข้างในเนี่ยต้องฝึกไม่ใช่ฝึกเฉพาะสมองไม่ทราบไอเดียคือก็ใช้วิจัยของต่างประเทศเนี่ยแล้วก็คุยสูตรมาแล้วจริงมันมีสูน์เรื่องนี้เยอะมากว่าจิตใจเนี่ยสำคัญ แล้วเราก็ใช้ฐานภาษาของของโลกนั่นแหละเพื่อมาให้มาฝึกซึ่งแตงเทสเขาก็เริ่มทำสมาธิแต่แต่แม้ยังไม่โลภุตละรักแต่อย่างน้อยก็ เ, เราอาจจพูดถึงสมาธิจะพูดถึงการหักหักห้ามใจมันอาจจะไปส่งผลต่อตั้งแต่การท้องก่อนวัยเรียนก็ก่อนวัยอันควรอะไรตั้งเยอะแยะพอจะได้เพื่เทสแล้วก็โ ล, ลได b <ม>ว่า ต, ต้องไม่ลืมนะมัชมลเนี่มันทำเมื่อสามสิบสปีที่แล้วก็ถึงสามารถตามผลมา ไ, ได้ว่าเด็กนี่พอโตขึ้นเนี่ยอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยมันมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับผลผลทดสอบพัชนโนลดตอนายุสิบเก็นยังไงบ้างไอตอนนั้นเนี่ยนะสังคมมันไม่ได้ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียนะเด๋ยวนี้เนี่ย คือถึงแม้ถึงแ่้เราทําแม็กมาชมโรเชตกับเด็กสี่ขบนะเด็กห้าขวบเนี่ยโอ้เด็กคนนี้เนี่ยอดกั้นดีนะแต่พอเด็กอยู่ไปนานๆเนี่ยพ่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่บรรยากาศในโรงเรียนรวมทั้งสภาพสังคมทั่วไปอาจจะกระตุ้นคนไม่เด็กเนี่ยอดรนทนไม่ได้มากขึ้นเด็กจะบใจร้อนมากขึ้นหักท่ามใจไม่ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยไอ้สื่อต่างๆที่มาทำให้เด็กเนี่ยผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยไม่อยอมอดกั้น คอยไม่เป็นบูธคอมพิวเตอร์นี่นะถ้าครึ่งนาทีเนี่ยมันก็บอกวาช้าแล้วใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะทำไมสิห้าสิบห้านาสิห้าวินาทีใช้ไม่ได้เนี่ยถือว่าต้องเปลี่ยนเครื่องนะสามสิบวินาทีถือว่าช้าแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพกคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนน่ยมันก็ตุ้นให้เรานเนี่ยทนทนคอยไม่เป็นสามสิบวินาทีเดี๋ยวนี้ใครดูคลิปวิดีโอสี่สี่นาทีบ้างคลิปวิดีโอสนาทีเขาก็นกไม่ดูกันแล้วใช่ไหม สนาทีก็ไม่ดูแล้วเขาดูครึ่งนาทีใช่ไหมเนี่ยถามที่ไหนใครมันเวลาจะดูคลิปวิดีโอดูก็นสามสามนาทีไม่ดูแล้วสี่นาทีไม่ดูแล้วโยนแต่ว่าเออมันีมันมนียอดมัเป็นล้านใช่ไหมคือเด็กเนี้ยไม่อดทนกระทังว่าดูคลิปสามนาทีก็ไม่ดูกันแล้วเนี่ยคือเด็กตอนผ่านโ ม, โมัชยมด้เช่นีนผ่านนะแต่พอวัยรุ่นนะมันอยู่ในสิ่งรอบรอนแบบเนี้มั น, ม, น ม, มันไม่อดทนแล้วล่ะ ใช่ไครานี้เนี่ยไอ้ที่เราเทสมานี่นะโอ้โหเยี่ยเลยนะ 90% ผ่านนะแต่พอผ่านไป10ปีมันไม่ได้แนละ้ว ม, มันเหมือนกับจุดลุ่งหมายจริงๆคือเหมือนกับว่าอ่าจะพยายามเปลี่ยนแกนเหมือนตอนเนี้ยพ่อแม่เด็กเกิดมาปึ๊บสิ่งที่พ่อแม่จะเทรนก็คือให้ให้ปีนต้นไม้เหมือนพระสูตรที่ท่านบอกต้นไม้มีผลตกไม่ตกสู่พื้นพ่อแม่ก็ปีมนมาชั่วชีวิต รูปมาก็จะให้ปีนทั้งที่มันมีแกนที่วาดด้วยเรื่องจิตใจแต่ครั้งแบบที่ท่านทุกท่านท่านบอกว่าต้องไม่เห็นกับตัวุมันยากที่จะโยงจะทำใ ห, ให้มันค่อยๆโยงแล้วก็ให้ให้พบ ว, ว่าคนอย่างเช่นบอลเลนบัฟเฟตหรือใครที่เขาผสมคอนเฟดเนี่ยพวกเนี้ยจิตใจใ ช, ใช้น้อยมากเราจะโ l o w ยังไงให้ให้ไม่ใช่สมองเป็นตัวหลักในความคิดนะอย่างเช่นพิซซ่าแม้พิซซ่าเองก็าตามเนี่ยก็ให้รู้จริงไอเด็กที่เก่งอาจจะกลายเป็นว่าเด็กมีจิต ใจที่เข้มแข็งต่างหามาเลยเก่งเพราะมันสามารถเอาชนะไม่ไปเล่นเกมอะไรเงี้ยคือจะโยงให้ก็การที่คุณจะฝึกลูกพ2นสชั่วโมงคุณฝึกลูกให้จิตใจเข้มแข็งดีกว่าไหมแล้วเราไม่ถอดบนเรียนพวกนี้มาแล้วก็โบรมาทางนี้เด็กก็จะมาฝึกและเดี๋ยวไม่ต้องพันสชั่วโมงก็ได้เด็กก็จะสามารถเชื่อมโยงโลกอะไรได้นะฮะแต่เผอิญว่าที่พูดมาว่าเปลี่ยนยากเนี่ยก็ใช่ อแต่ถ้าเราทําไอ้เล็กๆกับโรงเรียนทอสมทอสีหรือไปเขาอาจจะทําอยู่แล้วก็ได้ครับแล้วก็หาทางโลแล้วให้อีกหน่อยครูในโรงเรียนเห็นก็มาเราเหมือนกับว่ามีแลคเทสละพ่อแม่เองก็จะได้เหนื่อยน้อยลงมันเปลี่ยนแกครับแค่นะั้อย่างใช่ก็ก็ก็ก็กกดีเหมือนกับถ้าเราทําในต่ออย่างนั้นไม่ใช่แค่เทสเฉยๆครับ ต, ต่ออย่างนันด้วยซึ่งเราคงอาจจะทำไม่ได้ด้วยเองก็ต้องผา ผ่านครอบครัวผ่านโรงเรียนนะจริงๆแล้วเราไม่มีงานวิจัยตัวเองนะที่จะไปชี้ดินแดนสนับสนุสเรื่องพวกนี้นะตืวอย่างรัฐบาลประเทศนะหรือว่าเรื่องของความอดทนหรือว่าเรื่องของการใช้สติก็คเคยสนับสนุนนะเคยแนะนําสอสอซึ่งก็มีเงินเยอะนะแนะนำมาหลายปีแล้วนะก็ะมีโปรแกรมสุขภาวะทางทางจิติญญาณ น, นะบอกว่าทาวิจัยพวกนี้เ้วย แลของไทยเองเนี่ยว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากภายในหรือว่าการที่คนเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันทําให้มีความสุขมากขึ้นงานเรียนดีขึ้นอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีเรามีความสำเร็จในการวิจัยแบบนั้นหรือ่าหรือว่ามันเ็นความสำคัญกี่พอตัวอยู่ข้างล่างตัวเลขรวม ใช่ไหมส่วนนี้เราไม่ได้าำหนดเพราะว่ามันแยกแบบนี้ตีนจาจะเป็นคนกลุ่มอ่นอืนนะครับถ้าจะตอบ สาต่อทาด้วยหรือเขาจะไาเห็ุจะรับช่วงจากสอสอมาทำก็ได้เดี๋ยวส่งพวกนี่ไปตอบได้จริงจริงหมอปัญชาก็ <laughs> มีมีความคิดจะทำในพวกงากนวิจัยแต่มันยังไม่ได้คุยกันว่าจะทำอะไรยังไงด้านไหนอะไรก็ไว้ถ้าไปคุยอะไรอาจจะ มีมอต์รให้ความเห็นนะคคือคือโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยหลักพุทธของเราเท่าที่ผมเรารู้ศึกษากันนะทางโลกวัตถุนิยมเนี่ยให้ความสุขทางการมคุณใช่ก็เป็นสุขที่ไม่เที่ยงควรกลัวเรามีสุขอีกชุดหนึ่งคือสุขสุขที่ไม่ควรกลัวไล่ต่้ง่สมาธิปัญญาสุขจากทานอะไ ร, ะรับทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนแกน ก็มองว่าคือถ้าอไออนุสัยมันเยอะขึ้นคือไปสอนตอนโตโตมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไม่ยากไปต้องไปล่าอนุสัยก่อ น, นคิดว่าถ้าเราสอนตอนเด็กๆได้ให้เขาควบความสุขประเภทนี้แล้วส่วนท่านอาจารย์ว่าจะเป็นครูเราก็เคยคิดตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่เราจัดงานวัดลอยฟ้าเสร็จปึ๊บแล้วทางอศีก็อยากให้จัดเกี่ยวกับการศึกษาก็มาคุยก็จะมีจากทางกระทรวงมีมาก็มีนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยทางกลุ่เองเนี่ย กลุ่มก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับพวกธรรมาโคอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเราคุยเราคิดกันในในทีมเนี่ยเราก็เราก็จะไปสอนครูไม่ได้เพราะเขาบอกว่าครูเนี่ยใครใคก็อยากจะไปเปลี่ยนครูอยากสอนครูครูมีเวลาอบรมอยู่เยอะมากแต่ผลก็คือมันติดเราก็เลยว่าจริงๆมาอาจจะเป็นเหมือนกับว่าต้องมีหน่วยเฉพาะอาจจะคล้ายๆกับบทเนยอย่างเี้ก็อาจจะเป็นอันหนึง่งปุ๊บบทเนหรืออเข้าค่ายฤดูร้อนหรือ ที่เป็นเฉพาะหรือตอนนั้นทางาทางกระทรวงศึกษาทางสงพท อ, อครับเขาบอกไม่งั้นก็เป็นทีมไปก็ได้ไปอยู่จังหวัดนี้เสร็จแล้วก็ช่วงหนึ่งเอาแต่ละจังหวัดมากลายเป็นว่าต้องเป็นคนของเราเข้าไปแทรกแต่ไม่ใช่ไปสอนครูเหมือนต้องฝึกทีมเข้าไปกระบวนการมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่พระอาจารทําเรื่องปวนอะไรครับเป็นทีมแล้วก็เข้าไปเฉพาะเรื่องแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ไปเปลี่ยนใคร แต่ขอเวลาอะไรไม่ทราบว่าถ้าอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้เท่าที่ได้ครับก็คือไม่คิดไปเปลี่ยนครูเพราคิดเปนโกงไม่น่าจะได้เพราะทางหอกก็เสมเองหรืออะไรเองที่มีประสบการณ์กับครูพอไม่ได้ครูพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่รู้เขาได้อะไรอะไรไม่ทราบถ้าถ้าเป็นแนวนี้ไม่เปลี่ยนครูพอได้ คืออาจจะไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนแต่ว่าเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้อะไ ร, รใหม่ๆวิธีกางเลือกใหม่มเช่ น, นการสอนแทงที่จะสอนแบบอยู่หน้าชั้นนะเขาเพบว่ามันมีการสอนที่หรือว่ามันมีวิธีที่เดี่ยวการสอ น, นเพราว่าการสอนเนี่ยมันคือการที่เอาความรู้ของคนคนนึงใส่เข้าไปอีกให้กับเด็กคนหนึ่ง แต่ถ้ามันในเรื่องการเรียนรู้ถ้ารเรียนในเรื่องการสอนในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันจะมันจะเกิดผลดีกว่าคนเนี่ยทุกวันนี้ไปเข้าใจว่าการศึกษาคืกาอ ก, การสอนแต่การสอนคือการเรียนรู้คนเนี่ยวัยรุ่นหลายคนเขาก็เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีใครสอนเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มั น, มนผิดเขาเรียนรู้จากดาราเขาเรียนรู้จากนักร้องเนี่ย ดารานักร้อง ก, อก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปสอนพวกวัยรุ่นหลังนี้เลยแต่ว่าเด็กก็เรียนรู้เองแต่ถ้าเขาเรียนรู้ในทางที่ดีนะแม้ไม่มีครูเลยเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์มากมายเขาสามารถเรยรู้จักความฟุกงเรียรู้จักความสูญเสียเดีรู้จักความล้มเหลวเรีรู้จักอุปสรรคเรียรู้จากการหกหักนะเรีนรู้จกากธรรมชาติเรีนรู้จักแมงปอได้เนี่ย ตันนี้เนี่ยครูเนี่ยนะเขามีความคิดกับเรื่องสอนสอนสอนแต่ถ้าเขาพบ ว, ว่าเอ้ยการศึกษาการเรียนรู้นะทานําะไรยังงให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ส่วนครูยังเป็นแค่ผู้อเมริกามให้เกิดการเรียนรู้หรือช่วยการเรียนรู้เนี่ย ต, ตมาว่าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะก็มีการอกลมหลายครั้งที่ทําแล้วเนี่ยครูเขาก็เกิดไอเดียนะเจิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้มา ที่จริงก็หลายก็สองสมปีที่ผ่าน ม, มานี่นะครับอัตมาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออ ก, การทําวิร์กอปให้ออกับครูแพทย์ครูแพทย์เนี่ยนะก็คือแพทย์ที่จะเป็นครูสอนในหมายถ่ัยและก็ตามโรงพยาบาลแล้วครูแพทย์เหล่านี้เนี่ยนะมีความเครียดมากนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่คือศักดิ์ศรีมันน้อยกว่าไปสอนไปรักษารักษาโรงพยาบาล เ, เนี่ยนะมันมันเท่กว่าเป็นครูนะมา เงนเดือนน้อยกว่าแล้วต้องมาเจอกับเด็กนักเรียนที่มันไม่มันไม่เรียน่ะทั้งทั้งชั่วโมงอ่ะนักเรียนแพ้นะครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเอาแต่กดก้มหน้านักเรียนแพ้นะมันไม่เรียนอ่ะไม่ฟังครูสอนอมันจะก้มอย่งเดียวอ่ะครูแพทย์นี่เบื่อนะแต่พอเนี่ยหมอตูกเนี่ยนะหมอตู้หมอวิชาร์ดเนี่ยจ้ก็ทำบุ๊กชปให้กับครูแพทย์ทุกนี้ยผ่านหมอไรสุรานารีเฮ้ยครูแพทย์เนี่ยหลายคน เกิดไฟพวกนี้ก็สี่ส้าสิบเป็ข้างหน้าแล้วพวกนี้ก็ฉลาดนะแต่ว่ามีความทั่วกันครูแพ่พอเขาได้ได้เข้าเวิร์กช็อปเนี่ยเขได้เห็นว่ามีการกระบวนการเรียนรู้เอาเอเชียมาเป็นวิทยากรด้วย oh. โอ้ยเขาบอกเอ๊ะสิ่งที่เขาลืมไปเนี่ยคือลืมเรื่องของของไอ้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของนักเรียนนะคิดจะให้ความรู้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ถามนักเรียน ม, นมีอารมณ์พร้อมไหม แล้วก็มีกระบวนการที่ทำให้นนักเรียนเนี่ยเรียนรู้มีความพร้อมแล้วกเกิดชันทัส่วนครูเองก็มีความสุขอันนี้เขาก็ไปเพพอทําไปทําปรเจคมาสองสปีเขา้าไปสัมภาษณ์ว่าครูแพทยแล้วเขาก็มีความสุขมากก็ ท, ทําเป็นหนังสือนะชื่อหนังสือเองครูแพทย์นเนี่ยเอ่อเอิ่นนี่มันชื่อเลยนะว่าครูเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ว่าเดิมทีเราไม่ได้เขาไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนครูอะไรหรอกนะให้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นําเสนอวิธีการที่ มันดีกว่าการสอนนะเห็นเดี๋ยวนี้สิงคโปร์ก็บอกแล้วเป้าหมายหลักการศาคือ teach less learn more สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้นนะ <S <S นนยิ่งเราเข้าสู่ยุคแบบอะไรไท ย, ยแลนด์ูนแล้วเนี่ยเมืองไทยศูนดูนย์มันต้องเรียนรู้มากขึ้นสอนให้น้อยลงนะอันนี้ก็ก็อาจจะเดีย๋ยวขึ้นบดหลองกับครูนะ แต่ว่าก็ทํากับนักเรียนด้วยก็ดีนะจริงๆพูดถึงวิจัยเนี่ยนะพูดเสเหน่ยนะจริงๆตอนนี้เนี่ยมันทําได้เลยนะนักเรียนที่ผ่านโรงเรียนวิถีพูดเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยนะพอสรีเพื่อนพัฒนารุ่มามรุนเนี่ยนะปัญญาอะไรปัจจัยปัจอะไรเนี่ยปัญญาปัจจัยโตไปหน่อยนะแต่ว่าเอ า, เอาลบดูซะหน่ยพูดเนี่ยผ่านกระบวนการมาแล้งเนี่ย ต้องตามด้วยว่าเมเขา่าข้าหมายอะไรและทางานตรงนี้เป็นยังไงใช่ตามไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนัชโมโร t ทสเน่ยคือตามไปตอนเรียนให้ทที่เาะเด็กสี่ขวบตามไปถึงเด็กมัธยมตอนที่เรียนมัธยมตามไปถึงหมายเทไรและตามไปถึงตอนจบนันเป็นยังไงเช่นพบว่าไอเด็กที่ไม่ผ่านมัชโทนี่นะตัวอ้วนติดยาติดเหล้าชอบบุหรี่ ชอบอาหารจังพูดเรียนไม่จบงานไม่ดีไอเด็กที่มันมีผ่านมาตรฐานทดสอบนี่นะมันไม่มีปัญหาโรคอ้วนนะมันไม่ติดเหล้าไม่ติดยาไม่ติดบุหรี่การเรียนก็ดีงานก็สําเร็จเนี่ยนี่เราไปทำได้เลยนะักพูดเนี่ยผ่านโรงเรียนวิถีพูดมาทั้งหลายครอวเนี่ยนะดูได้ว่าโดยเฉลีล่ยอะไรนี่นะดีกว่าเด็กที่ไม่ผ่านวิถีพูดหรือเปล่าหรืออาจจะคเลือกเด็กที่ผ่านวิถีพูดแบบได้คะแนนได้ได้ได้ไดไดไดได ได้คะแนนดีหน่อยในเชิงของจริยธรรมนะไม่ใช่เฉาความรู้ที่เป็นคะแนนสอบ ต, ตอนนี้พระองค์เลยวิธีทุกก็ทำมาสิบกับปีแล้วมันต้องเห็นผลนเห็นผลมันต้องผลมันต้องแสดงให้เห็นแล้วล่ะถ้าดีจริงนะเรื่องอ่าส่วนเรื่องที่พราะานางบอกว่า อ, อ่คือท่านพุทช่างเนี่ยท่านก็เน้นไปสู่ ทุกจักทุกเลยทางกลุ่มเราเองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมอันหนึ่งที่ชื่อว่าแพทย์แผนใจนะ mm hmm. ก็จัดทุกวันอาทิตย์ mm hmm. โดยเรามีเป็นเกมการ์ด mm hmm. เกมการ์ดเล่าพวอเร่านะก็ให้เขาเขียนว่าไม่สบายใจอะไรนะครับเสร็จปุ๊บก็ให้การ์ดเลือกว่าแล้วรู้สึกยังไง mm hmm. ก็มีตั้งแต่เซงเครียดอะไรนะครับเลือกออกมา แล้วก็เราก็หาว่าใต้นั้นอะ่ะอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้มันนึงก็คือทุกแล้วก็หาสมุทรไทยอ่าโดยโดยถามว่าอยากได้อะไรบางทีพอเราทําอย่างเงี้ยเราเพบว่าเออก็เขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันคือพอใช้ใจดูแล้วเนี่ยเออเขาอยากได้อันี้เช่นพ่อดุพ่อดุเราจริงอยากแค่ให้พ่อยอมรับอาจจะเป็นเรื่องแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็มาใช้โยนิโสมนัสิการเราก็เขียนคนแล้วก็ปูก ไว้กับวัตถุการมชุดหนึ่งนะคับซึเป็นพ่อก็มีสายคือตันหาที่มียขาพูดนั่นแหละแล้วก็ทุกอยู่ให้เขาเลือกว่าจะดับยังไงก็ใช้โยนิโศเพื่อเข้าใจพ่อตามความเป็นจริงนะครับเราก็จะมีคลาสเพื่อหวังว่าจะผลิตแพทย์ที่จะไปเล่นในเกมอริยศาสตร์เนี่ยได้มากขึ้นในความที่คืออีกหน่อยมันก็จะไปสู่โรงเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้ว่าไหนดอกหนึ่งดอกสองคือถ้าดอกสองมันแก้ข้างใน ให้ท่องจำตั้งแต่เล็กแต่น้อยอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเท่าที่ทำมาเนี่ยมันก็ยากใ น, ในแง่ผลิตหมอนะครเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะให้สมองคิดแล้วก็จะไม่คิดว่าตัวงผิดเวลาทะเลาะอะไรกับใครหรือทุบใจก็จะไม่เคยคิดว่เต็งผิดทั้งนี้นจริงในทางภาษาปฏิอาวิชารุ่นๆอนี้ก็จะผลิตได้ตามกำลังอาจารย์ว่าถ้า อ, อยากจะขอควาชี้แนะกับอาจารย์พอเราตั้งเราก็เริ่ม เริ่มคร่าวๆแต่ก็ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจะไปได้เร็วขนาดไหนอะไรยังไงตั้งแต่ว่าพอเป็นไปได้ไหมที่จะขยายไปตามโรงเรียนหรือตามที่ทํางานนี่แต่งานมีแพทย์ของทางกายจริงมันควรมีแพทย์แผนใจแล้วก็ปัจจุบันนี่ผมเห็นว่ามันมีโค้ชเยอะแยะมากแต่มันก็ไม่ใช่อริยสัจคือท้ายสุดก็ยังเป็นคิดบวกแต่อย่างเนี้ยมันเป็นอริยสัจ ก็มีคนละมีหกคนครับทำงนานอย่าง <c oughs> ก็งา<ต> <c oughs> ก็ส่วนย่างยก็จะมีเทสสุดท้ายว่าคือให้หัดไปให้หัดไปดับทุกให้ได้ก่อนว่าถ้าโวอะไรปุ๊บเนี่ยต้องเข้าข้างในจนชินเสร็จแล้วก็ค่อยมาฝึกชวนคนอื่นคุยก็มีก็เออก็ก็ท า, าไปเรืนะ่อยนะเพราะมีตัวช่ว ย, ยให้เช็กการ ก็คือใช้กา๊าซก็มีคนที่เขาเคยซื้อก๊าดของทางอื่นเขาก็พยายามจะมาะมาเอาก๊าซเราไปขายโอ้โหมันก็แต่เราก็คิดว่าเราเคยเอาไปขายน้ำงานวัดลอยฟ้าเนี่ยแต่เราก็พบว่าท้ายสุดถ้าถ้าคนเล่นไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันก็เล่นยากท้ายสุดมันเหมือนกับต้องต้องฝึกแล้วหวังว่าถ้าเขามีประกายอริยศัจ ต, ตอนตอน้ตนวันหลังเขาจะได้รู้ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เขาเขาแก้ได้แล้วจะเข้ามาศึกษาศาสนาโดยทางลึก โดยทางลึกเองได้เลยนั่นก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเาเล่นแบบมอนโปลี่ได้ไหมคือต้องมีเป้าไปให้ถึงเนี่ยแล้วก็เกมเนี่ยถ้าเขาระหว่างทางเนี้ยถ้าเขโกดธเข้าแรง่าเนี่ยนะมันก็ไปไม่ถึงเนะี่ยเกมมอนโ์ปอลลี่หรือมูตกบันไดก็ได้โอเคแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปคิดต่อนะครับแต่มันมีมันมี ม, น, ม, มนแนวคิอดอันหนึ่งว่า จริงๆมันคืออนุสัยเดี๋ยวนี้ในทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถคือถ้าเราคิดว่าเราทำไอ้นี้เป็นเกมคลาสขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าเขามีความทุกข์ปุ๊บเข้เขาเลือกอยู่ในในใ น, ในโปรแกร ม, ม น, นะครับเสร็จแล้วมันจะบอกได้ว่าชีวิตเขาสมมติเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอะไรเยอะที่สุดเราก็ทําการทดลองเหมือนกันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเครียดเนี่ยวิตกกักนวนงวล2เรื่องนี้เยอะที่สุดคือเราจะเอาไอ้นี้ไปทําเป็นคลาสเข้าถึงใจสร้างสุขวันหนึง่งทุกๆุกเดือนแล้วไม่ว่าจะ2เดือนไหนเนี่ย ก็พบใครแล้วกันเครียดหรือมตกกังวลเนี่ยเยื้อรัทุกครั้งไปแต่มันไม่มีเครื่องวัดแต่ถ้าเรามีอโปรแกรม AI หรือว่าโปรแกรมธรรมดาแอปที่มันช่วยได้เนี่ยมันจระจายเป็นว่าเป็นการบันทึกนิสัยอนุสัยเราแล้วเราก็จะนําไปสู่มาร์ได้ว่าเช่นถ้านิสัยขี้โกรธจะแก้ด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามันบันทึกได้มันก็มันก็จะพอรู้ตัวส่วนมูตกบันไดกับอะไรเดี๋ยวจะไปคิดเพิ่ แต่ว่า แ, บแบบอปแอปจะดีสุดนะเพราะว่ามันมันติดตัวคนแล้วก็มันก็ทันสมัยดีคแต่ตอนพูดถึงมือถือกันนาเพราะว่าตอนนี้คนเขาชอบเล่นการ์ดเกมเยอ ะ, ะพอเพราะเกมอะไรการ์ดเนี่ยการ์ดเกมเขาเรียกว่าอะไร์ดเกมกเออบอดเกมอ๋มอใช่ไครับบอดเกมเออตนี้คนก็นิยมเล่นใชก็เป็นอาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์ที่เกษตรชื่ออะไร อาจารย์พ่เกษต ร, ร แ, ก แ, กแกคิดเรื่องพวกนี้มาเยอะแบบส่วนให่ปนเรื่องเกยวเศรษาตคนก็สนุกนักนศึษาชอบมากเลยอาจารย์อะไรนะอาจารย์บอร์ดเกมมีครับ ม, มีร้านบอร์ดเกมจุฬาอะไรครับแบบไทยนะอ๋อเหรอครับอาจารย์พี่อาจารย์แกคิกดอนเด็ ก, ดดกนะาจรย์เกษตรใช่ไหมครับเอออปคณะค ณ, ณะอะไรก็จไม่ได้ คุณเคยกันดีแต่หน้ชื่อไม่ออกจะมีวความจาแย่มาเรื่องชื่ อ, อ, ะอะระหว่างมันก็มีไอแพลตฟอร์มที่เคยเกริ่นกับาอาจารย์ไว้ครับว่าะกะว่าจะเอาไปใช้ในการคุยครั้งเนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มโดย อาจารย์ที่อาจารย์เดกนรับสุขกำเนิดเด่นรับสุขำนินดนนคือในเรื่องอเป็นกลุ่มนะครับเรื่องแพทย์แผนจ่นี่ก็เป็นในเรื่องภายในส่วนเรื่องสังคมเนี่ยเราเองก็ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ตอนเหลืองแดงเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าผู้สนะน่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเราก็ประยุกโดยใช้พระสูตรที่ท่านว่าเรียว่า าการเปรียบเหมือนผลไม้ที่มีผลดกแต่ไม่ตกสู่พื้นนะครับคนที่มาถึงก่อนปีนเป็นก็ปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็คิดจะห่อพกคนมาทีหลังปีไม่เป็นนะครับก็จะตัดทําลายเสียทั้งต้น <c oughs> แล้วก็จะห่อพกเหมือนกัน <c oughs> แล้วเราก็ใช้โมเดลเนี้ยเอาเอาไปเล่นก็คือเรามีไปทําวิจัยกับนีด้า <c oughs> คือคือไปทำวิจัยกับคณะอ่าพวกเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ เพื่อจะถามเขาว่าถ้าเราใช้ภาษาอุปมาเนี่ยคุยเขารู้เรื่องไหมนะถ้ารู้เรื่องเนี่ยมันทําให้มันไม่คิดแยกส่วนเหมือนตอนนี้เราจะคิดรัฐศาสตร์กับการปกครองกับเศรษฐศาสตร์แยกๆ ก, กันเราเราไม่ได้ไม่ได้คิดในแง่เข้าไปสู่สัจธรรมของพุทธศาสนาพุทธศาสนามีแค่ว่ามันมีผลไม้ซึ่งเป็นของทุกคนแต่มีคนเก่งไม่เท่ากัน ในทางทฤษฎีของทุนนิยมเนี่ยมันถือว่าเท่าเทียมก็ให้สิทธิ์แล้วใครจะปีนแต่ในทางพุตบอกว่ามันไม่เท่าเทียมโดยโมเดลวันนี้เราก็มาประยุกต์นะครับเป็นต้นไม้แล้วเราก็ต้องอบอกสาใน้อายอันนี้ตัดที่นี่ก็ได้มีมี มันมาปั่น็มูกหรือล็อกถือนะครับนั้นเนี่ยโดยเวลาคุยกันนะครับมนุษย์มนุษย์ก็จะเข้าถึงทรัพยากรได้ก็เหมือนต้นไม้คนปีนเป็นก็ปีนไปเก็บ นะส่วนโพสต์ีไม่เป็นก็อยู่ต่ตางๆก็เป็นพวกคนยากจนะครับเส้นนี้ก็แล้วแต่เราตั้งส้มวเส้นนี้เราตั้งเป็น 2,700 เอบาท<ม>ก็เป็นเส้นคนยากจนเป็นเส้นความยากจน<ม>คือมองว่าถ่าเราสาม ภาษากลางซึ่งตอนนั้นก็พอไปทำแต่ละคณะก็โอเคพอฟุีกันได้แล้วเราก็ได้ประโยชน์เรากับมาพัฒนาเราก็เริ่มจากอย่างนี้ครับแล้วก็มีคนมีคนที่อยู่ข้างบนมีผลไม้ที่แยกเก็บ เรามาัดเราเราเริ่มต้นเราก็ตั้งคําถามว่าถ้าคุณเป็นคนคนเนี้ยปีนไม่เป็นคนพวกนี้ลตลรอตัดอยู่คุณจะทํำยังไงอโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะหาวิธีกันไม่ออกเพราะเพราะท้ายสุดถ้าเป็นศีลธรรมมากเขาก็บอกเขายอมอดตายยังไงเขาก็ยอมอดตายไม่ผิดศีลแต่บางคนก็ตัดนะครับ แต่เราเพราะว่าคนมองไม่ออกเพราะว่าจริงๆไม่ได้ถอยออกมาดูส่วนใหญ่คนข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมองในมุมของคนข้างล่างเขาก็จะมองว่าคนข้างบนผิดอนะครับพอถอยออกมาดูเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันแค่ไอ้คนข้างบนเนี่ยมันก็แบ่งให้คนข้างล่างแค่นี้อันนี้ก็เริ่มของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีคนอ่าคนกลางก็คือราชการเราก็แบ่งคนเป็นเจ็ดกลุ่มอะครับอ่าคนกลุ่ม คือคนข้างบนก็มีขั้งดีและไม่ดีฉะัคนที่ดีก็เป็นคนกลุ่มที่หนึ่งก็ค<ม>ือก็แบ่งคนกลุ่มเนียแบ่งคนกลุ่มสองแันนแกนี้เออกไม่เป็นไรึงีตาไ ด, ไไ ด, ไไ ด, ไได้ต่างรูก็ได้อจะรอ จากเปานปรึกษาโอ้โหหมอหมอเมื่อไหรเมื่อคืนครับตอนวันวันที่แปดร็เย็นๆเลยมาเจอหนาว อาจไปทาสม่ะเ่าพรสงมาให้ได้ไคะส่งไปที่ไหนสมมาหาพรจารย์น่าจะที่นี่ค่ะเล่ว่ายังไม่กวันนี้โอกาสอให้ศึกษาเลยขอบคุณมากดีดีที่ไหน่โออก็ทำคลิปวิดีโออ่ากขายหลายคนเี่ยวกับคุณนันท คุณคือแม่คุณมองรับองใจก็เสกค่ะพัศษที่เสกอ่าเจริญพรยัค่อยพบกันไหมเจรพรขอบคุณมากเดี๋ยววันวันที่สามไปกลับมาใหม่มามาบรรยายสมทัยปีเก่าอ๋อมามามาทำวัดเย็น วัาที่หนึ่งเช้าอยู่ไหมครับวันชา้าไปฉันไปันที่ปูหลงเขเล่นไพกันนี่เกวบด็กวันไหนเด็กวันที่น่ครับอ๋อชครับหเราเราก็เคยไปเล่นกับเด็ก เ, เด็กด้วยนะครับแล้วก็พบว่าเด็กก็มันสามารถโยงรัฐศาสตร์ก็ได้ อันนี้คนหนึ่งปุ๊บแล้วก็ให้เด็กเขายืนคนละบุม ม, มีคนอยู่หนึ่งก็คือคนดีให้คนที่สองเป็นคนดีแต่ไม่มีคนที่สามก็คือคนไม่มีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับ mm. คนที่สี่นี่คือคนที่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็มีนะครับแล้วเราก็ให้เด็ก อ, อยู่คนละมุมแล้วก็สอนปฏิปไตยเขาว่าปฏิปไต่ก็คือเลือกตั้งเนี่ยโดยสมองเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าคนที่หนึ่งอ่ะควรจะได้ แต่เลือกไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกให้เด็กแต่ละคนทําตามที่สายคนกลุ่มนั้นพอคนที่สี่ยัดตังปุ๊บเนี่ยสุดว่ามันก็ในเวลาคนที่สี่ก็จะมาเป็นนักการเมืองนักการเมืองคือเราให้เลขเจ็ดใช่ไหมครับบริหารราชการคือเลขหกส่วนเลขห้านี่คือเด็กๆที่หรือผู้พิการนะครับผู้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็สามารถโยงได้ถึงระบบภาษีเช่นการแบ่งแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์สู่ข้างล่างครับ แบ่งแล้วทําไมมันถึงยังไม่เท่าเทียมจริงๆเราอาจจะมองไปเป็นว่าอามาดไพ่อะไรอย่างจริงมันไม่ใช่มาดไพมันคือระบบพักการเมืองของราชการอะไรเนี่ยมันกินข่าตรงเยอะซะจนมันไม่เหลือไออย่างเงี้ยมันมันก็สามารถแสดงให้เห็นได้คราวนี้การกระบวนการสอนปีนต้นไม้จริงมันคือครูแต่แเราก็พบว่าครูยังเป็นหนี้อยู่เลยแล้วครูจะมาสอนเด็กได้อย่างไร แล้วเราก็ต้องตั้งถามว่าจริงๆคนที่เข้ามาเป็นครูเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไระใช่ไหมบางที่พอเข้ามาเป็นพักราชการปุ๊บเนี่ยก็สบายได้เพราะว่าโดยฐานคิดของคนไทยเนี่ยคือเป็นราชการแล้วจะมั่นคงคนที่ไม่ได้คิดว่าจ ะ, ะเป็นหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้คนอย่าเงี้ยเพราะนั้นโดยเริ่มต้นของการเข้ามามันก็จะไม่ตรงมันก็เลยสามารถพอเป็นภาพนี้ปุ๊บก็จะให้คนคุยกันได้หลายๆภาพรวมทั้งเหลืองแดงด้วยเหมือนกับว่า เหลืองแดงก็คือว่าอามาช่ั้นหนึ่งทั้งสี่เลยกัใครที่รวยก็คืออามาส่วนเหลืองเนี่ยก็ว่าชั่วก็ว่าฝั่งสีกระสานแต่จริงเนี่ยมันมีคนที่เหลืองกระแดงคุยกันได้คือไอ้ไอคนสีนะครที่ควรจะมาคุยว่าไอ้คืออันนี้เป็นการเปลี่ยนร่วมคือคนรวยที่ไม่ดีก็คืออามาที่ไม่ดีเนี่ยคุยกันได้อันนี้ก็คือเหมือนไอ้แพลตฟอร์มนะตอนนั้นเนี่ยหวังว่า เลืองแดงจะมาคุยกันได้เพราะว่าเดิมเนี่ยพ อ, อ, อพอแค่คนนึ่งพูดดีชั่วอหนึ่งพูดอธรรมไพ่เนี่ยพอไม่มีแพลตฟอร์มทุกคนก็คิดว่าไม่เห็นกับตัวเองก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอย่างนี้เหมือนกำลังเป้าร่วมกันเหมือนกับวางลงไปแล้วก็ทุกคนหวังดีกับประเทศก็ลองมาดูซิจัดการยังไงซึ่งมบประมาณปีหนึ่งมัน 2.2 ล้านล้านเราเคยคิดเล่นๆว่าเอ๊ะหรือไปทําแทนที่จะพวก เขาแข่งกันล้อมเพลงอย่างนี้ยมันควรจะเอานิสิตแต่ละคณะมาแข่งกันอ่าจัดสรรทรัพยากรประเทศไหมส่งมาแต่ละคณะเลยฝึกแล้วก็ดูซิว่าจะจัดสรรได้ดีกว่าไหมอะไรอยย่างเี้อันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเป็นอุ ป, ปมาณะครับแล้วเราก็แปลงจากอุ ป, ปมาของทางพระเจ้าองค์มาเป็นโมเดลอันนี้ก็คือจิตก็จะเป็นคนดีนะครับจิตที่ดีกับไม่ดีพอเสร็จอันนี้ปุ๊บเนี่ย ที่เราจะไปคุยต่อเราก็หวังว่าไอ้โมเดลพวกนี้เราอาจจะได้ไปสอนตอนนั้นที่จะคุยกับพวกคณะต่างๆหวังว่าเวลาไปคุยกับหลายๆคณะเนี่ยถ้าเขาใช้ภาษาตรงกันเศรษศาสตร์คุยกับรัฐศาสตร์ก็จะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเศรษศาสตร์เขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนผิดเรื่องทุนนิยมเขาไปทวรัฐศาสตร์เพราะเศษศาสตร์เสนอไปดีแล้ว แต่ด้วยลักษณะของการเมืองที่ต้องเอาใจประชาชนนโยบายมั น, นต้องออกมาแบบเนี้ยจะต่อไม่เกี่ยวอะไรทำเลองเนี้ยมันก็ได้เห็นมุมมองคราวนี้พอเรื่องสังคมปึ๊บเนี่ยเรากำลังที่เคลื่อนไทยกลุ่มเคลื่อนไทยที่เราคุยกันนะครับก็คุยอยู่บนโมเดลภาษาษนี้โดยเรามี แกนอยู่แกนแรกเนี่ยเป็นแกนเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องตัวไอนะครับคือตัวเราซึ่งก็เป็นตั้งแต่มนุษย์นะครับมนุษย์เทวดานะครับพวกเาพวกให้ทานศีลถือศีล น, นะครับกลุ่มสมาธิกลุ่มวิชากลุ่มปัญญามันก็เหมือนกับว่าทรัพยากร ที่มนุษย์แย่งกันอยู่ปัจจุบันนะครับและอันนี้ก็คืออบายคือโลกที่เราคุยกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเห็นภาพแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องสุขสุขอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เก็ตเพราะเขารู้สึกแค่ว่าสุขมันมีอย่างเดียวว่าต้องได้อันนี้ถ้าแกงความสุข ก, ก็จะเป็นอีกแกงหนึงอันนี้คือเอสจริงๆอันนี้มันก็คื อ, อ อายตนาภายนอกครับยัต่างๆไอโมเดลเนี้ยเราก็กะว่าคือพอเราเสนอไปในบอร์ดอาจารย์หมอวิจารณ์เนี่ยหรืออะไรก็บอกว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าทำให้เกิดเชิงลูกมากขึ้นหรือเราไปทำให้กับศูนย์คุณธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นอันนี้นสมมติเป็นกลุ่มหนึ่งสองสามสี่บางครั้งเนี่ยหอหรืออะไรเนี่ยเราเอาจทากับคนกลุ่มหนึ่งอยู่ก็ได้ คือเราทําหอปุ๊บคนดีๆอยู่แล้วก็มาร่วมแต่คนที่ก่อปัญหาประเทศคือคนกลุ่มนี้ซึ่งเราไม่ได้ไปไปกําหนดเป้าหมายเพราะฉะนั้นทางหมอจ้าบอกมันก็จะกลายเป็นเชิงลุกละไปหาว่าคนเหล่านั้นอยู่ตรงไหนหรือคนสี่เหมือนที่ลงไปไปโปรโดรู้ครับอาจ า, ารย์ก็ว่าเราต้องหาคนกลุ่มสี่ที่มีโอกาสจะทําร้ายประเทศได้มากที่สุดเป็นคนกลุ่มไหน มันอาจจะทให้เจาะไปว่าเราต้องไปสอนนิสิตสอนนักศึกษาเด็กกรุงเทพที่รวยๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าให้เมื่อไหร่ประชากรก็จะสงบสุขเหมือนถ้าจะสอนพอเพียงควรจะไปสอนคนกลุ่มสี่ก่อนไหมอะไรครับเพราะนั้นไอ้โมเดลภาษาเนี่ยจริงๆทําให้มันเป็นแค่ภาษาเอาไว้คุยกันทรัพยากรตรงฝั่งเนี่ยครับมันก็จะมีทรัพยากรที่ว่าด้วยเรื่องสมาสมาธิใช่ไหมครับ สวรรค์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นทรัพย์สิที่ไม่จํากัดสามารถให้ได้แต่ทางเศรษฐศาสาตร์มันมาไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่สามารถทําภายในเพราะฉะนั้นไอ้แกนที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเวลาเราคุยกันในเคลือนไทยเนี่ยคือคุยยังไงให้ให้มีความสุขจากฝั่งเนี้ยได้มากขึ้นคนแก่ก็จะเพราะตอนนี้คนแก่เวลากลัวปุ๊บก็จะเตรียมเงินมหาศาลเอาไว้รักษาตัวอะไรเงี้ยก็พบว่ามันก็คุยกัน คุยกับอาจารย์โมเดลนี้ได้ก็เลยจะปรึกษาพระอาจารย์ว่าในโมเดลประมาณเนี้ยพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนำเพคุยหรือมันมีมีข้อบกพร่องอะไรที่เพื่อจะได้พัฒนาผมต้องไปไปทดลองทำกับ ห, หลายๆกลุ่มก็จะเห็นว่ามันมีจุดหน่อนที่ต้องแก้ไขยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้ว อย่างเช่นที่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึง AI รเราก็จะถ้าให้ผมใส่ลงไปในโมเดลนี้ AI ก็คือมนุษย์ผลิตผลไม้ขึ้นมาอันใหม่อย่างี้ครับแล้วก็ให้คนไปแย่งกันคนก็จะแย่ง AI ใหม่ๆอุกคนอย่างหนก็ไปแย่งหุ่นยนต์แต่กระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถโลกโลกต่อให้มี AI ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราดูจากการใช้ทรัพยากรเนี่ยคือมี AI แทนที่มันจะใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่เราก็พบว่าน้ำมันก็ยังหมดโลกไปเรื่อยๆมันก็พิสูจน์ว่าต่อให้คุณจะเปลี่ยนยังไงก็ตามมันก็เป็นไปเพื่อสนองตันหาเมื่อกี้พระาจาร์พูดถึง AI พูดถึงครูใช่ไครูก็จะเป็นคนกลุ่มล่างครูก็จะเป็นคนที่หกที่จะสอนเด็กแต่เนื่องจากถ้าเอาแบบพื้นของเศรษฐกิจพอเพียงคือสอนใ ห, ให้ไม่เป็นหนี้อะไรเงี้ย แต่คีถ้าครูยังเป็นอยู่สก็แสดงมันจะสอนได้ยังไงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องอ่าก็ต้องก็ต้องอ่ามันก็เลยมีที่คุยว่าเออถ้าประเด็นที่กัจจาว่าทั้งนั้นเราจะคิดลึกๆไอ้โมเดลนี้มันทําให้เราคที่อ่าได้ได้กว้างอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโมเดลหรือว่าอีกหน่อยเวลาเรารับครูเราต้องบอกไหมว่าถ้าเป็นหนี้ไม่รับหรือเป็นหนี้มาหลายไล่ออกอ๋อหนี้ธรรมดาอยู่แล้วต้องถอนได้ ครทุกคนก็มีอย่างนี้คังตรงผมบ้างซึ่งทางทางเวลาคุยกับทางในบอร์ดของหอที่เขาพอรู้เรื่องเขาบอกว่าวิธีแก้ของกระทรวงศึกษาเนี่ยคือเวลานักการเมิองเข้ามาก็คือเพิ่มนี้ให้เพิ่มรานี้ให้แล้วถ้าไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนสถาบันมันก็แก้อย่างนี้เพื่อเอาใจอืครูมันไม่ได้แก้ที่รากเหมือนสิ่งที่ปอเพียงวาไอ้คุณใช้อะไรเยอะเกินไม่ได้มีการเข้าไปช่วยครูแบบนั้น มันก็จะเป็นปัญหาลึกอยู่ที่พอครูเป็นหนี้ก็ไม่มีอารมณ์จะสอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วเงินเดือนครูก็บอกก็ใกล้ๆกับหมออะไรทำนองนี้เนื้อเรืครูไม่มีความภูมิใจในความเป็นครูเนี่ยครับครูเราที่มีความภูมิใจในความเป็นครูเนี่ยมันไ ม, ไม่ไม่อวดรวยหร อ, อกที่เป็นหนี้เพราะ อ, อวดรวยใช่ไหมไปให้คุณค่ากับความสูงค่านี่อยู่ที่การมีวัตถุไม่มีความไม่ใช่อยู่ที่การสอนครับต้อครูก็มีความสู่การสอนนะครับ ก็อยู่ง่ากินง่ายโดยปริยายแต่เมื่อมีความสุขจากการสอนนี่ก็ไปหาความสุขจากสิ่งอื่นก็คือวัตถุถ้ามีปัญญาจะหาวัตถุก็ต้องเป็นไปกู้ยืมขึ้นมาอ mm hmm. คือพวกผู้ที่เป็นนี่เนี่ยนะถ้าเป็นนี่แบบนี่นี่แบบนี้ล้นท้นตัวเนี่ยแสดงว่าข้างในมันกลวง mm hmm. ไม่ใช่สมองกลวงนะข้างในจิตใจมันกลวงกลวงไม่มีความสุขก็เลยไปหาความสุขจากข้างนอกมาเติมแต่ถ้าเกิดว่าเขมีความสุขจากการสอนนะมัน เขภูมิใจในความเป็นครูเขาก็ไม่คิดจะเอไปเชื่อชูอีกโก้หรืออัตตาครับด้วยวัตถุหรากใหไปแก้ยังดีกว่าทําไมเขามีความสุขการเป็นครูแล้วามสุขการ ส, สอนและภูมิใจในความเป็นครูครนึกกับพระเลยถ้า ม, มีความสุขภายในนะนก็ต้องไปไปหาความสุขจากวัตถุสิ่งเสพกุฏิก็จะมีคของอนุความสุขที่เยอะเป็นหมด หรือแ ม, ม่ก็วิ่งไล่หาสมณศักดิ์เพราะความสุขไปอยู่ที่ตรงนั้นแทนแต่ถ้ามีความสุขการความเป็นพระมันไม่มีความเป็นไปหาอะไรอีกแล้วอ่ะมามาคนเปิดตนครูก็ทําให้ครูภูมิใจนะครับทำให้ครูภูมิใ จ, ะะใ ม, ใจมีความสุขการสอนพระก็ต้องทําให้มีความสุขภายใน ที่พระอาจารย์บอกว่าเอาให้ให้ให้คารวะเนี่ยทําคือถ้าไปชวนพระธรรมเดี๋ยวพระจะใช้งานพระอาจารย์ช่วยขยายความว่าถ้าไปเกี่ยวข้องเวลาเราขับเคลื่อนเรื่องเรื่องพวกนี้ยครับควรอพตอนนั้นที่เราคิดเนี่ยเราก็มองว่าพระเองเนี่ยท่านเราคิดภายในกลุ่มเนี่ยเราพบว่าถ้าไปหาใครขับเคลื่อนเราก็ต้องมีทุนแต่เรามองว่าพระเนี่ยท่านมีบาตรของท่านอยู่แล้วทุน คุณอันนี้ไม่ต้องแล้วคือถ้าได้ท่านมาเป็นตำลังแล้วก็ให้ท่านเกิดความภูมิใจตอนนั้นเราคิดถึงกิจกรรมพวกเกี่ยวกับสมณเนรนี่คนระับคือให้ท่านการอบรมสมณเนปัจจุบันอาจจะยังไม่มี best practice หรือมันมีอยู่แล้วเราต้องไปหา best practice แล้วมาขายทอดและพะที่มาเป็นขี้เลี้ยง 3-4 ส, สเดือนก็นมาทำสักทีนึงแล้วก็ท่านที่มาช่วยก็จะให้อะไรพิเศษท่านเช่นท่านไ้เจอครูบาอาจารย์ดี ชวนมาอะไรเงี้ยก็ทาให้ท่านภูมิใจในะความเป็นพระด้วยช่วยเหลือญาติโยมได้ด้วยโมเดลประมาณนี้พระอาจารย์แต่เราคิดแต่เราคิดถึงเมโอเคแต่ว่าพระจริงท่านก็มีงานของท่านนะเช่นพระท่าพระ เ, เก่งๆ่นก็มีงานที่วัดเก่งนิดหมืองก็เยอะการที่ไปทำอะไระข้างนอกวันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องงาย น, นะครับถ้องพระที่จะต้องต้องลอยตัวไม่มีงานไม่มีงานที่วัดมา มันก็จะได้ถือโอกาสให้พระเพราะในสมัยก่อนพระท่านภูมิใจกพราท่านเอ๊ะผมคุยออกคุยกับท่านดุษฎีครับท่านดุษฎีบอกว่าตอนนี้พระกลัวโยมมากกว่าเพราะว่าพระรู้น้อยกว่าโยมสมัยก่อนพระรู้มากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าพระไม่ได้มีกิจการอะไรมากมายพระก็เลยโยมมีการศึกษาดีกว่าพระครับเราก็เลยคิดว่าทํายังไงให้พระเนี่ยท่านกลับมาภูมิใจ หรือคุยกับท่านหลวงพี่วิชิตที่ไปช่วยท่านอัสสกฤตสอนเนนเนี่ยท่านก็บอกเนนเราเรานั้นเนี่ยคือจุดหมายมากคือรู้สึกว่าการมาบวชเนี่ยตังป้อยสุดแล้วไม่มีทางไปเลยต้องมาบวชมันก็ทําให้เวลาบวชก็ไม่ได้ภูมิใจท่านก็ต้องไปทํำไงให้ภูมิใจกิจกรรมเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้พระท่านมีพื้นที่หรือคนไหนมีพื้นที่ต้องการสนับสนุนอะไรจะมีใครช่วยเพื่อให้ท่านเกิดความภูมิใจอะไร ท้าบจะมีทางช่องทางไหนเพราะโครงการธรรมะวัตีตอนนั้นเนี่ยก็มีความคิดอยากให้พระท่านฝึกที่ท่านจะให้ปัญญากับผู้คนแล้วก็รู้เรื่องทางโลกด้วยแต่ตอนนี้ปึ๊บเราก็โครงการธรรมะวัตถีขับเคลื่อนปึ๊บก็จะมีพระหลากหลายนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนว่าเราไปหาพระที่ท่านต้องการสตาร์ทอัพแล้วก็ไปช่วยอะไรท่านได้บ้างสตาร์ทอัพแล้วก็ สนับสนุนให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับอันนี้สตารมีไอเดียท่านวิชิตที่วิชิตวิจรอใช่ครับที่ท่านเป็นเภสาครับเอ ท, ท, ท่านเขียน 4.0 หรือท่านก็พูดถึงท่านก็ยงว่าสตาร์ทอัพพระก็ควรจะมีสตาร์ทอัพไหมแล้วก็ควรต้องมีคนช่วยสตาร์ทอัพหรืออาจจะไม่ใช่พระเป็นภาคีอะไรก็ได้แต่ควรจะมีการสตาร์ทอัพคือมีคนคิดดีๆที่จะเปลี่ยนโลก แต่ต้องสตาร์ทอัพต้องช่วยเพราะว่าถ้าไม่ช่วยมันก็มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนโลกไม่ได้ น, นั่นไอเดียสตาร์ทอัพส่วนเรื่องอพระพระอาจารย์มองอกําลังของพระที่มีอยู่เยอะจะสามารถนํามาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุยกับท่านดุอดสดีหลวงพี่เดือดบอกว่าพระเองท่านบอกว่าอยู่อยู่เป็นประเภทที่4นะครับ จริงๆเราคิดเราพระค่เดียถ้าบอกพระเนี่ยถ้าหลอกพระอยู่เพศที่สี่เพราะว่าพระก็ทําเพื่อหวังเงินท่านท่านท่านท่านอุปมามันก็ได้ขอทุนสอสอมาก็เป็นนักจัดการบินพอสสไม่ให้เงินก็ไม่ทํา็ทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ตังอะไรเงี้ยไม่เหมือนพุทธองค์ที่ว่าไม่ต้องใช้ตังก็สามารถทําได้ท่านก็เลยว่าดูวพี่หลวงพนสีส่วนใหญ่เป็นนั่นแหะอย่างเงี้ย แต่ตเราก็มเงิ น, นหล่อเลี้ยงเอแต่เราก็รู้สึกว่าศาสนาเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยพระเราพุธิบัตสิสังสีจะเกือ้อกูลท่านได้ยังไงสมมติถ้าเราทำแบบที่ว่านะทำให้ท่านช่วยในส่วนที่หาอะไรที่ท่านช่วยได้แล้วก็พบวาพระทตีต้องเป็นพระที่ท่านมีอะไรอะไรจะทำอยู่แล้วเราไปช่วยท่านเนียถ้าไปเสนออะไรให้ท่านทำทนี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ ส่วนใหญ่เนี่ ย, ยสมัย<ช>สพอพอทาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ identify หาพราที่ท่านทำแรงท่านอยู่แล้วเราไปช่วยอันนี้จะง่ายกว่าแล้วก็พอช่วยแล้วก็ก็ให้ไอเดียอะไรท่านหรือเปิดเวทีให้ท่านได้ไร้รู้ทาให้ท่านสามารถจะก้าวจากจุดที่ท่านทำอยู่เนี่ยออกไปได้ครับ ตรนี้ก็ไปช่วยสนองท่านเพื่อท่านได้เห็นอะไรกว้างขางอืงเพื่อที่ท่านจะได้กล้าต่อดไปนนถ้าเกิดไพ่ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไปเสนอให้ทําเนี่ยก็เป็นไปได้เลแต่ว่าอาจจะหวังได้น้อยค ใ, ในเครือข่ายถ้าเรามีพระเราก็ร้องเลือกเครือข่ายพระที่ท่านมีอะไรของท่านอยู่แล้วเพราะที่ทางอ่พระอาจารย์ บอกว่าเครือข่ายที่ให้เราเลือกเนี่ยผมมองว่าเครือข่ายที่เราเลือกจะเป็นเครือข่ายที่เป็นแบบที่หนึ่งก็คือจะต้องพาคนเช uh, um, hmm. like, ื่อด้านศีลกระดายนสมาธิกระดายนปัญญาก็ได <led để S 2> ้ให้ออกจากวัตถุนิยมอ่าก็คือให้ข้าวจากอบายพวกวัตถุนิยมก็คือพวกอบายให้ก้าวข้ามมารือคนกลุ่มเนี้ยที่พระอาจารย์บอกว่าควรจะเป็นคนที่มีความสุขทั้งจิตวิญญาณฐานทั้งจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงเพราะฉนั้นที่เราไปทําการบ้านมา กางด้านการด้านคือเราก็ส่งมาในไลนแล้วาก็ให้ที่พราจเราก็ลองไปดูว่ามีกลุ่มไหนบ้างมีก็เข้าๆแค่ลองเป็นตุ๊กตามาแล้วก็ตามปณิทานสามแล้วก็ไปหาว่าคนกลุ่มหนึ่งตามปณิธานสามเนี่ย เ, เข้าถึงศาสนาของตน การเขาเรื่องเขาจะมองศาสนาเถอคือมองว่าในในในแง่ของเขาคือว่าศาสนาอื่นศาสนาไหนมาก็ได้แค่นั้นแหละครับที่ผมเหมือนส่วนโลกนานาชาติก็แค่นั้นยังไม่มีใครกล้าผมยังรู้สึกว่าไม่มีใครกล้าไปแตะเอาศาสนามาคุยกันเพราะว่าแตะไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดยแต่ละศาสนาเองเราก็ยังหาคนหนึ่งชัดๆคือสมมุติศาสนาเราอาจจะมีแต่ศาสนาอื่น อิสราเอย่างเงี้ยที่เป็นหนึ่งเนี่ยเราเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะก็ต้องไปหาแต่มาคุยกันปุ๊บถ้าเขามีเป็นอบายเขายึดมั่นในศาสนาเขาอยู่มันก็คุยไปก็ทะเลาะกันอยู่ดีก็เลยต้องหาแต่ส่วนท่านโัวนี้ก้าเหมือนกับแค่ว่าตอนมาไม่ต้องไม่ต้องกราบพระศาสนาฮินดูอะไรมาได้หมดอื mm hmm. แล้วก็เหมือนสม่วนพวกชาติก็พุทธถืออะไรก็มาปฏิบัติได้เบ mm hmm. ื้องต้นไปได้แค่นะั้น มันก็มีนะกลุ่มอะไราศาสาาตร ส, ส, ส, สัมพันธ<า>์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในภาคใต้อาตมาก็สมัยก่อนจะปริชาต์แกเพิ่งเสียไปจากปริชาต์ก็ทำมวลองค์กรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ทํางานเกี่ยวกับภาคใต้ค่ะไอ้ส่วนข้อนหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีเยอะมากกว่า น, นี้นะเพียงแต่เราไม่ค่อยรู้จักเช่นโนอิงบุตรได้เนี่ยรู้จักไหมกลุ่มโนอิงบุตรได้รู้จั ก, ก no I รโนอิงบุตรได้ ที่เขาทำหนังสือเรื่องที่เขาที่เขาทำโฆษณา ว, ว่าเนี่ยอย่าไปอ๋ออย่าไปเอาพระมนเป็นเดตกอล์เขาก็มีการภา<บ>วนาเพื่อมีหนังสือเ น, นี่ยนี่วันที่หเนี่ยเขาจะทำงานใหญ่ที่เซนเซนทรเซนทเ่อะที่ฮะ ท, ที่แถวเราสงฆ์ื่อชื่ออะไรเซนทรัลเซนทรัลเซนทรวันที่หกเจ็ดแปดทุกอย่างเนี้นะอันนี้คืออยากจะให้ครับหรือว่า ซึ่งพวกเราหน้ารู้กว่ามากกว่าตมาเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ตอนนี้รุ่นนั้นก็ทั้งเคลื่อนพวกเคลื่อนไหวอย่างกลุ่มคุณอะไรวิรังรองเลยนะชื่ออะไรวิรังรองวิรังรองอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคือพวกนี้แหล่ไม่มีเยอะแม้กรกลุ่มทีัพพุทธศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็หน้าอยาองดูว่ากลุไหนกลุ่มไหนทีใจกว้างกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ครับว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าขยันกว้างกวนี้หน่อยเป็นตัวอย่างนหรือที่บุตตาก็โอเค ใอ่ประดเด็นพอเราขับเคลื่อนอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าควรจะมีทุนทางบินจิตวิญญาณอยู่บ้างเนี่ย อ, อยากให้พอาจารย์ลช่วยขยายว่ามันมันดียังไงหรือมันต้องระวังยังไงอันไหนนะเหมืนอนกับ<อ>ว่าอ่าครับนี้ใช่ไหมเออก็มีมิติดรื่จิตวิญญาณเหมือนเขาก็ไม่ใช่ผู้ที่เรียกว่าวัตถุนิยมหรือว่าประเภทประเภทชาตินิยมหรือเล่นแบบ คิดแต่วิธิด้านการเมืองเนี่ยอย่างธรรมะก็มองว่าอย่างศูนย์พิทักพุทธศาสนานเนี่ยในหัวยมีเรื่องการเมืองอะไรคิดถึงกาติใจเลยใครพูดผิดผูไม่ได้กใ็ใครเห็นแตกต่างตัวกโกรธเนี่ยแล้วถ้าสมมติไอเดียที่จะเไ้ต้นไม้ตอนนั้นที่คุยกับทาง ทางนีิได้นะครับแล้วก็คุยกับน้องพวกที่เป็นนิสิตแต่เราก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรต่อแต่เหมือนให้ไอเดียเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้เด็กม .6 อ, อะไรอย่งี้ครับมาเข้าคล้ายพวกแต่ใช้ใช้ใช้ภาษาของพุทธให้รู้ทางมิติหลายๆอย่างแล้วคุยกันทางเกี่ยวทั้งเศรษฐศาสตร์คือผมมองพุทธศาสนาเนี่ยส่วนที่คนเรียกว่าศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระดับโลกียะแต่พอระดับโลกุตตระเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนามันเป็นทางออกของโลกแล้วถ้าเอาเด็ก อาจารย์ปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับมาเข้าค่ายแล้วก็มาคุยเรื่องที่มันลึกๆเหมือนกับแทนที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคือแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ารมารับ แ, แข่งว่าจะรู้ยังไงให้รวยกว่ากันแต่ถ้าเราบอกให้รู้ยังไงให้โลกมันรอดโมเดลยังไงให้โลกมันรอดแล้วก็จัดเข้าค่ายแคมป์เด็กอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ทําให้พี่เลี้ยงก็ได้เรียนด้วยไอ้น้องกับไอเรียนด้วยแล้วก็ ผู้ใหญ่ที่มันก็คล้ายๆทำเมาืวานทีนะก็ได้มาพูดแต่ประเด็นไอ้ตัวเป้ า, าตัวภาพาภาษาอุปมาเนี่ยเขาเห็นภาพโลกอยู่แล้วแล้วก็เปิดว่าว่าจะคิดอะไรก็ได้ถ้าเป็นไปในแนวเนี้ยพระอาจารย์ว่ามันจะสามารถช่วยให้เด็กๆ เ, เนี่ยกลับมาเห็นคือผมเห็นว่าตอนเหลืองแดงเนี่ยปรากฏว่าเด็กไม่ออกมาเลย มันมันหายเลยไม่สนใจเด็กสนใจดาราแล้วะผมก็เลยว่าถ้าอย่างนี้ประเทศมันจะฝากไว้กับใครเพราะเด็กเนี่ยเราถือว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กยังไม่มีบวกลบยังเป็นตรงๆการที่เขาตัดสินใจอยู่ไม่อยู่บนผลประโยชน์เนี่ยน่าจะให้อะไรใครได้แต่พอไม่ออกมาเลยเนี่ยมันก็กลายว่าถ้ามันเกิดอีกทีหนึ่งทะเลาะอะไรอีกทีหนึ่งมันก็ไม่มีใครจะเพราะไอ้คนที่ออกมาก็ตายกันหมดไอ้รุ่นที่ออกมามันก็จะไม่เหลือแล้วกะว่าไอ้กิจกรรมพวกเนี้ยมันทําให้เด็กคิด จะไมไ่ไม่ได้คิดในแง่ในแง่รัฐศาสตร์อย่างเดียวแต่ทีนี้คิดในแง่เอาให้โลกรอดเพราะไอ้ทุนนิยมปัจจุบันมันไม่น่าจะรอดแล้วมันก็เหมือนเป็นติ้งแท้งของเด็กๆ เ, เพราะว่าตอนอสมัยก่อนมันก็มีพวกธนาคารกรุงเทพก็คัดเด็กแต่ไปเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อใครจะเก่งกว่ากันทางด้านนั้นแต่ถ้าคัดแบบนี้มาแล้วก็เป็นกิจกรรมทางสังคม เป็นค่ายทางสังคมอะไรเงี้ยอาจารย์ว่ามันจะช่วยช่วยไดมากแ้วต่อเนื่ธรรมการก็ทํากับเด็กนะเริ่มงก็ที่เด็กนะครับตั้งแต่สมัยเราตัมาเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ทธรรมการก็ทำกับเด็กมัธยมหมายายหาเทเลัยมีชมรมต่างๆชลบรีมหาเทก็ทํากับเด็กแต่ก่อนไม่มีการตอบปัญหาอะไรใช่ไหมเนี่ยคือเ ข, เขาเขาเริ่มต้นที้ตรงหน้าเขาเขยาย ใ, ใหญ่ได้เพรเห็นเนี่ยแล้วเขาก็ได้ได้กําลังคนได้พระจากพวกเนี้ย อันนี้ถ้าใครทาเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างต่อเ น, นื่องนะแล้วก็ซึ่งก็น่าชมธรรมากายแล้วก็ทำต่อเ น, นื่องมาตลอดแล้วก็สามารถใช้กำลังคนที่เขามีเนี่ยเป็นเป็นไม้ไปได้เรื่อย ๆ, ๆอันนี้ถ้าเกิดว่าจะทาเรื่องเยาวชนก็ดีเหมือนกันเพียงแตนว่าก็ต้องเลือกกลุ่มสักหน่อยเพราะว่าเด็กตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีสมาธิกับเรื่องอื่น เรื่องเรียนก็ก็เครียดเด็กก็มีความเครียดเรื่องเรียนพี้งเหราเด็กมหกมาเข้าค่ายเด็กก็ไม่ได้สมาธิที่แต่เรื่องการสอบการเข้าหมายลายแต่ซึ่งมันก็ต้องทําต่อเนื่องเพราะว่าจะทําให้ได้เกิดพัฒนาการที่เด่นชัดทั้งเด็กเองแล้วก็ทั้งวิทยากรจริงจริงก็ ก็ถ้าถ้าสมมุติมามาทำเรื่องเด็กหรือว่าชนมากขึ้นนรับก็น่าสนใจนะเรื่องที่ท้าทายก็ส่วนใหญ่สมมุตินี่ก็สามารถดินดูดคนประเทศอร้นได้เยอะแต่ว่าเรื่องเด็กหรือว่าชนเนี่ยอ่าพอสมัยเหตุอ่ถ้าดินด้วยพยายามบินคนล่ข้ามาที่ที่งีกไปอย่างก็ต้องมีคนที่จะเล่นเล่นเล่นกับเด็กได้ะ เรื่อเยาวชนตอนนี้หอเนี่ยมีกิจกรรมถึงเด็กแต่เยาวชนเนี่ยยังไม่มีนะกิจกรรมเด็กนี่อะไรเพื่อนทํานําปัญญาก็คือเอาเด็กมาเด็กกี่ครัวก้าวครัวก็ทําอะไรมาเข้าค่ายวันหนึ่งละวันวันเดคอร์ลแล้วให้พ่อแม่แยกไปเยอะไหมก็แปดถึงเก้าสิบคนครับคราวหนึ่งครั้งแล้วปนกี่ครับ สี่ถึงห้าครั้งนะเริ่มไงเด็กชอบไหมก็ชอบแล้วก็มีการกลับมาอืมรี่นิานนิทานที่สอนคู่ค่ะคู่คือว่กับตลปัดอนโน้นค่ะกับตลับปัดของท่านอลจารประกอบจารย์ประสมแล้วก็นิมนต์อาจารย์ประสมาเป็นนิทกรอันนี้คือเด็กใช่ไค่ะเันนี้เยาวชนเนี่ยเขาได้ก็ดีจริงๆก็มันก็มีสวนจะจักอยู่แล้วนะ มันก็เป็นที่ที่จะทํางกิจกรรมบบเยาวชนนี้ได้ครับทำเองเลยะไะไม่แล้วก็อาจจะอาจจะผ่านพวกเนี่ยพวกวิถีพุทธลุงบรรลุต่างก็ได้มาช่วย เ, เดินมาเหมาเอาเอาโยโฉนจุ ก, กลุ่มนี้มาก่อไปได้เด็กทำามาเด็กก้าวขแต่ก็าวโอเคแล้วพอต่อไปเด็กพวกนี้ไม่นานก็โตยิ่งวัยรุ่นเดินเข้าค่ะแล้วก็มาต่อยอด จริงๆวันนี้พี่พาเกลีบก็สมาเพลินคุณแม่เกิดอุบัติเหตุล้มก็เลยไม่ได้มา น, นั้นก็ทำกับเด็กลองไปดูว่าเคอข่ายมีใครทาอยู่บ้างก็อาจารย์แนนลุงอรุรอรณทรศีอะไรนะครับก็คิดว่าท่านสัตยาสายอะไรเนี่ ย, าายเอยาายเอพุ่ยพันยปะที่บุรีลัมยังเรียนนะกบในกลารั่ เออพวกนี้ได้รั้นน้องมันก็เรียนจึงเรียนวันนอกมันมีโดยคนไทยก็มีหลายโรงนะที่มีแววอาจารย์มิเชียอนดังไก ล, ลามากนะเป็นโรสีขาวใช่ไหมเป็นโรงเรียนที่คล้ายๆกับอ่าให้ไม่ที่สอนแต่ให้เรียนรู้อ่ะบอาจารย์พี่สันว่าเด็กเวลาสัมภาษณ์ครูให้เด็กเป็นคนสัมภาษณ์ <laughs> เพื่อจะให้ดูคุยกันคุยเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นชื่ออาจารย์วิเชียนก็เป็นที่คนไปดูเยอะเหมือนกันแล้วก็เด็กก็ก็มีกิจกรรมมีอะไรที่ดีตอนที่คุยกับทางอาจารย์วิจารณ์หมอวิจาร์ที่เป็นบอร์ดครับอาจารย์เขาก็เน้นเรื่องการศึกษาจริงเรื่องกระบวนการศึกษาเนี่ยในบอร์ดเนี่ยก็มีหมอวิจาร์ อวิจยัยเขาก็จะรู้ว่าเท่าที่เท่าที่วันนั้นหมอวิจาร์เล่าก็คือว่าการให้รางวัลครูดีๆเนี่ยก็มีอยู่ ถ, ถ่ายทอดอะไรก็มีอยู่เหมือนหามาร้อยคนแล้วให้รางวัลยังไงก็พยายามมีอยู่หรือทางอาจารย์หมอกเกษมอันนี้ก็เป็นมูลที่ยุวะสถีรคุณก็เป็นของทรัพย์สินอันนี้ก็ทำพวกโรงเรียนทางพิจิตชื่อโรงเรียน อ่านะครับแล้วก็กระจายแต่โดยลักษณะที่ทางหมอเกษประมาณนะคือใช้ให้เป็นชือจี้ก็คือเน้นการเสริชสละอะไรพวกนี้ครับเช่นให้ไปกวาดตอนเช้าให้ไปกวาดพื้นที่รอบนอกโรงเรียนก่อนนี่ไงก็เน้นแล้วก็ก็มีความประแต่หมอเกษมไมรู้สึกเวลากระจายเนี่ยก็ยากคือสักครูไม่เห็นด้วยบอกไปก็ไม่ทําอะำก็ต้องก็ต้องเปลี่ยน ก็หวังว่าเดี๋ยวจะท่านในด้านโรงเรียนก็จะไปฟังตกผลึกดูความเชื่อมโยงว่าจะสามารถเชื่อมโยงอะไรได้บ้างบ้านมูลหน้าโรงเรียนบางบางมูลหน้าอะไรบางมูลหน้าที่ดีบ้านดีอํเภอบ้านเกิดท่านค่เกิดค่ะบ้านเกิดทางหมอเกษมก็เหมือนไปทําจากโรงเรียนที่ไม่ไม่อะไรอะไรเนี่ยแล้วก็พัฒนาจนครูกับเด็กคุณหมอจบที่นั่นเลย ก็เหมือนกันสุดท้ายสุดก็ไปสอบได้หมออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มองว่าพอเอาหมอเป็นตัวไว้ก็กลับไปเรื่องแนวตั้งอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าโรงเรียนของสัตยาสัยอนันรู้สึกเขาก็ให้มีความสุขจากสมาธิในในความคิดผมเนี่ยคือถ้าเด็กเปลี่ยนแกนได้เมื่อไหร่แบบที่พระอาจารย์ว่าว่าความสุขมันมีอยู่แล้วของตัวเองครูเองถ้าเปลี่ยนแกนได้มันก็มีอยู่แล้วก็คือการ ให้พบความสุขข้างในอะไรเงี้ยหาวิธีออกจากวัตถุนิยมไปมีอะไรถามด้วยเผือท่านเผืนอทานาทีเคยมาที่นี่้างไหยสุกโตไม่เคยเหรอมีคนเคยมาเคยมาเคยปฏิบัติมาปฏิบัติ